อาจารย์ครับกล่าวนาม ส, สกุลครับผมเาจารย์พลคุณหมูคุณหมอท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์ครับตอนนี้ผมขออนุญาตเอาชื่อหนังสือมาตั้งเป็นชื่อรายการนะครับหนังสือชื่อวิสัชนาธรรมผมก็เลยเรียกรายการนี้ว่าวิสัชนาธรรมนะครับอาจารย์ครับ ชื่อนี้ก็มาจากรายการนี้ครับพิ่งจะเพิ่งจะเซตติ้งได้เป็ชื่อรายการครั้งที่ห้าสิบห้าคับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับวันนี้จะถามคําถามเกี่ยวกับเรื่องชาญกับยานครับเพราะว่ามีคนถามมาเรื่อยเลยว่าชาญกับยานนี่มันเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของชาญและยานนะครับอาจารย์ครับชานก็คือ ความสงบของจิตในระดับต่างๆที่เราแบ่งเป็นสองระดับด้วยกันระดับรูปฌานกับอารมูปฌานนี่อยู่ในกลุ่มของสมาธินะสมาธิคือความสงบตั้งมั่นของจิตฌานก็คือความสงบตั้งมั่นในระดับต่างๆจากยากไปสู่ระดับละเอียดตามลำดับรูปฌานก็มีอยู่สี่ระดับ อารมณ์ประชานก็มีอีกสี่ระดับด้วยกัน น, นี่คือฌานเวลาเราฝึกสติพุโทโธพุโทโธนั่งสมาธิหลับตาด้วยพุโทโธก็ดีหรืด้วยการดูลงหายใจก็ดีจิตก็จะเพ่งอยู่กับอารมณ์นะที่เรากําหนดไว้การเพ่งอยู่นี้เรียกว่าเป็นฌานการเกาติดอยู่แล้วก็ จ, จะเพ่งแล้วก็จะทําให้จิตสุก ไปตามลำดับนี่เรียกว่าฌานนะคือควาสมสงบคือสมาธิง่ายๆส่วนญาณ น, นี้คือการอย่างรู้ของจิตอย่างรู้อะไรก็อย่างรู้มีอยู่สองแบบมีอภินญายานกับวิปัสสนาญาณเท่าที่สร้างมานะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ในาพระทัยมิดอกนีนขอ แต่ขอพูดเท่าที่ทราบมีสอมอันที่ที่ที่รู้จักกันอภิญญาญาณก็คือการอย่างทราบของจิตในเรื่องของอภิญญาเช่นการลนกชาิได้การอ่านวาลจิตของผู้อื่นได้การรับรู้และติดต่อกับกายทิพย์ต่างๆได้อันนี้เรียกว่าญาณอภิญญา อภิญยาก็คือความสามารถพิเศษของจิตที่ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนที่ปฏิบัติธรรมอินา ญ, ญาณ น, นี้บางท่านก็มีบางท่านก็ไม่มีแต่มีญาในชนิดหนึ่งตราเรียกว่าวิปัสนาญาณเราคงใครได้ยินอันนี้คือการย่ำสร้างในสัจธรรมความจริงของทุกสมุทัยนิโรจน์มากที่เราเรียกว่าอาริยสัจสี และใจรักอันนี้ยับทุกข์ขังนตตาอันนี้เป็นปัญญาปัญญาปัญญายาณผู้ที่บรรลุธรรมงหมายนี้จะได้ปัญญายานเนือ้ญญาานอปัญญาญานอปัญญาวิปัสสนาญาณคือความจริงที่ทำให้จิตนี้ทุกข์ก็คืออริยาาสัจสีนะ ควาจริง ท, ที่จะทําให้เจิตหลุออกจากความทุกข์ก็คือใจลับการเห็นว่าสภาวะทำทับปวกเป็นอ น, นิจจังทุกขงังนะนัสตาจิตก็จะปล่อยวางจิตก็จะหลดพ้นจากความทุกข์ได้อันนี้ผู้ปฏิบัติทุกคนสามารถเข้าถึงได้วิปัสสนาญาณแต่ต้องผ่านระดับฌานก่อนต้องมีฌานอย่างน้อยระดับฌานสี่ คือรูปประจานสีเพื่อจะได้มีอุเบกขาต้องการจะปล่อยวางสภาวะธรรมทั้งปวงได้นั้นต้องมีอุเบกขาเป็นผู้ปล่อยถ้าไม่มีอุเบกขาใจยังไม่ปล่อยวางใจยังไม่เฉยใจยังมีความรักชงกลัวหลงกับสภาวะธรรมต่างๆอยู่เห็นอะไรก็ยังจะอดที่จะรักจะชอบไม่ได้เนือจะเกลียดจะชังไม่ได้เนื้อจะกลัวไม่ได้ แต่พอมีฌานสี่มีอุเบกขาแล้วจิตก็จะนิ่งเฉยกับสภาวะธรรมทั้งปวงได้อาจจะปล่อยไม่ปล่อยอย่างท้าวรนี้ต้องเกิดจากปัญญาปัญญายานวิปัสสนาญาณที่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งปวงเป็นใต้ละนั่นเองเพราะั้นสภาวะธรรมทั้งปวงมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป เป็นตาไม่มีตัวตนเป็นสภาวะเป็นธรรมชาติใครไปยืดไปติดกับธรรมชาติไปอยากให้ธรรมชาติเป็นไปนตามความต้องการของตนก็จะทุกขึ้นมาเพราจะไปอยากให้สภาวะทำที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงนั่นเองสภาวะทำที่ไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นตัวเราของเราให้ได้อันนี้คือวิปาาัสสนาญาณ ทั้งสองอย่างนี้ก็เกี่ยวข้องกันฌานคือสมาธิระดับต่างๆญาณก็คือการอยางรู้ความจริงด้วยจิตใจที่มีทั้งของที่ละเอียดของที่อยู่อีกในภพหนึ่งที่วาอยาปิญญาญาณการอยากรู้เห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นใต้ภพเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของดวงวิญญาณ ต่างๆลนะาการสามารถติดต่อกับดวงวิญญาชนิดต่าง ๆ, ๆในโลกทิพย์ได้อันนี้เรียกว่าเป็นอภิญญาญาส่วนวิปัสนาญาคือการเห็นไตรักการรู้ว่าใจลักคือเห็นอริยสัจสีเห็นทุกเกิดจากสมุทายเห็นนิรอดคือการดับทุก ว่าดับด้วยปัญญาว่าด้วยมากมากก็คือสิงสมาธิปัญญาอันนี้ปัญญา น, นง่ายๆก็คือฌานคือสมาธิญาณคือปัญญาครับผมอาจารย์ครับแล้วคนที่จะบรรลุธรรมนี่ต้องมีทั้งฌานทั้งญาณถูกต้องไหมครับอาจารย์ก็มีฌานสี่สมาธิรูปฌานสี่รูปฌานสี่ก็จะมีโอเบคาอันนี้ก็ณหมอไม่มีโอเบคา คุณมอรู้อยู่ว่าสิ่งที่กุณหมอเห็นอยู่นี้เป็นของไม่เที่ยงแต่ยังอดที่จะรับจะชอบจะหวไม่จะห่วงไม่ได้ต้อกาดอุเบกขาฝึกสมาธิจิตได้อุเบกขาแล้วจะเฉยๆกับสิ่งที่รักที่ชอบได้และจะยอมรับความจริงจากปัญญาได้ว่าของที่เรารักเราชอบวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีการทัดพระจา ก, กันเป็นธรรมดา ถ้าไปยื่นไปติดไปอยากให้เขาอยู่กับเราก็จะทําให้ใจเราทุกขขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติเพื่อกําจัดความทุกข์เราก็ต้องปล่อยวางเฉยด้วยอุเบกขาด้วยปัญญาที่เห็นว่าถ้าไปยื่นไปติดไปอยากจะทําให้ใจทุกขถ้าไม่อยากจะทุกขก็ต้องปล่อยไม่เป็นไปตามความเป็นจริงของเขาเพราะฉะนั้นตอนนี้เป้าหมายแรกก็คือจะต้องให้ได้ฌานก่อนใช่ได้ mm hmm. อุเบกขาก่อน คือเราดูบารมีเสียงนี้ท่านไล่มาตั้งแต่ต้นเลยเมื่อตอนได้มีเมตตาก่อนให้เราไม่มีใครไม่ถือใครเป็นศัตรูจะได้ไม่มีปัญหากับใครแล้วจะทําให้เราสร้างบารมีข้อที่สองคือทานบารมีได้พอเราไม่มีศัตรูเราก็ยินดีทีจ่จะให้แบ่งปันกับทุกคนเมื่อเราสร้างบารมีแล้วเราก็จะทานบารมีแล้วเราก็จะมีเสียบารมี ว่าเราไม่มีสัตว์ตัวไม่มีใครที่เราจะไปโกรธไปเกลียดไปทำลายเราก็จะเราก็จะมีศิ้นบาลมีหลักศิ้นคือบิ้นห้าแล้วเราก็จะไปขึ้นไปสู่ศิ้นแปดคือเนคข ม, มั่งบาลมีต่อไปถ้าเราต้องการที่จะสวรรคหาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้เราต้องขึ้นสู่ระดับภาวนาคือปฏิบัติสมาธิและปัญญา เราก็นําเสนอสิ่งแปลกกันแปลกไม่เว่งนี่เรียว่าเนือ้อาวบารมีการน่าออกจากการเสกการพอราลิการออกเสกการเราก็มีเวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อให้ได้อเบขาบารมีเมือได้อเบขาบารมีเราก็ไปเจริญปัญญาต่อพิจารณาสภาวะธรรมรังค ว, ว่าเป็นไตรลอันนี้จากทุกขังร่างต่าเราก็จะได้ปัญญาบารมี หลักเนี่ยก็ลำดับขั้นตอนของบารมีที่เราจเจริญกัน oh. บารมีทั้งหมดนี้ก็ต้องอาศัยบารมีที่เป็นเครื่องมือทำให้เราปฏิบัติ บ, ตบารมีเหล่านี้ไนดะ้ก็คืออธิษฐานบารมีคือความตั้งใจตั้งใจว่าต่อไปนี้เราจะไปเราจะสร้างบารมีสร้างเมตตาสร้างทานบารมีซีบารมี เราก็จะได้มีเป้าหมายของการดําเนินชีวิตของเราอาธิฐานคือการตั้งเข็มทิศและตั้งเป้าหมายของการดําเนินชีวิตของเราเมื่อเราตั้งแล้วเราก็ต้องมีสัจจะความแน่วแน่ต่อการตั้งเป้าหมายของเราไม่โรเลยไม่เปลี่ยนใจพอไปเจออุปสรรคไปเจอคนมักจะบน่นด้เวลาทําความดีนี่มาค่อยมาคอยสกัดกัน้นเลย เนี่ยต้องต้องมีความแน่วแน่จะมีมากี่ตัวก็ไม่สนใจถ้าตั้งใจจะทําทานก็ต้องทําทานตั้งใจจะมีความเมตตาก็จะมีความเมตตาจะไม่โกอดไม่เกลียดใครถึงแม้เขาจะทําร้ายเราต้องมีความแน่วแน่เรว่องวาสจาความจริงใจแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามที่จะสร้างบา ร, รมีต่างๆ ไ, ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วบา ร, รมีมันจะเกิดขึ้นเองะ ต้องสร้างบารมีด้วยความเพียรแล้วก็ต้องใช้ความอดทนเพราะการทําความดีนี่มันเหมือนเดินขึ้นเขาไม่เหมือนการทําความชั่วเหมือนเดินลงเขาทําชั่วนง่ายแต่การทําความดีนี่ยถ้าไม่มีขันติความอดทนบาทีจะทําไม่ไหวสู้ไม่ไหวนี่กะโยงมาถึงบารมีสิท เพื่อใได้เนภาพว่าการปฏิบัติของเรานี้เป็นอย่างไรครับอาจารย์ครับกขอบคุณครับกระจ่างแล้วครับผมผมจะน้อมนําไปศึกษาและปฏิบัติต่อไปนะครับเดี๋ยวจะถอดถามคำถามจากเพื่อนเพื่อนบ้างครับอาจารย์คุณสมพรครับอเป็นคนผัดวันประกันพรุ่งต้องแก้อย่างไรดีครับต้องใช้ธรรมะข้อใดดีครับน้องกับขอคําแนะนำพระอาจารย์ครับใช้มรนัสสตินะ วความตายนี่เกิดขึ้นได้ทุกเวลาพระเจ้าสอนพระอนุณมาหายใจเข้าไปให้รู้ว่าให้หายใจเข้าไ ห, ห, ห, ห, ห้พิจารณาว่า ห, หายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายนี่ให้ดูที่ลมหายใจนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยูุดเลาหายใจเมื่ อ, อไหร่กันอยุ่ได้ทุกเวลานาทีไม่มีใครคาดคิดว่าตัวเองจะตายวันนี้ใช่ไหม คนที่ตายวันนี้เขาไม่ได้ที่ว่าเขาจะตายวันนี้กันอยให้คิดจากนี้ให้เรารื้กถึงความตายให้เห็นว่าชีวิตของเรานี้มันไม่แน่นอนเหมือนขวนอยู่บนเส้นได้เส้นเล็กๆบางๆที่จะขาดได้ทุกเวลานาทีมังจะได้ไม่ผ่าวันประกันพรุ่งจะได้ดาเนินตามอธิษฐานที่เราสัจจะที่เราตั้งไว้เคยจะปฏิบัติธรรมให้เต็มที่ จากพ่สมพรครับพระอาจารย์แนะนำนิยามคนขยันในทางธรรมครับว่าเป็นอย่างไรครับพระอาจารย์การเรนรสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพุทตั้งแต่ตื่นจนหลับคนขยันทางธรรมอ๋อนี้ไม่ใช่คำถามนะครับ <c oughs> เรียนถามอันนี้สงฆ์พระอาจารย์การไปวัดทำบุญฟังธรรมที่วัดในตอนเช้าครับ ในอันนี้สรงอย่างไรครับอาจารย์คือการไปทําบุญทำธรรมก็ทําบุญก็ได้ทานบารมีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินการสู่พระนิพพานนะแต่เป็นขั้นแรกเป็ น, เนขั้นบันไดขั้นแรกทําทานว่าเรามีเมตตาต่อผู้มีนเมตตาต่อพระพุทธต่อพระประสงค์เอาได้ที่เห็นว่าท่านต้องอาศัยเรา เลียงดูในการที่ท่านจะศึกษาและปฏิบัติทำได้เราก็มีความเมตตากับพระสมฆ์งเจ้าเราก็ไปบ้านไปทําบุญเราไปได้สร้างทานบารมีแล้วฟังธรรมเราก็จะได้สร้างปัญญาบารมีแต่สิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือรักษาศีลห้าแล้วก็รักษาศีลแปดตามลำดับแล้วก็ไปปิดวิเวกไปอยู่วัดบ้านไม่ใช่ไปแถ ไปแค่ไป ท, าทําบนญก็ฟัง ท, า, ทาแล้วกลับบ้านการต่อไปอาจจะวันอุโบสถวันพระนี่อาจจะยี่ค้างคืนที่วัดสักคืนเพื่อจะได้ถือศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลาฝึกสมาธิเพื่อให้ได้ฌานไดุ้เบเการะมีคุณนอลรลักษ์ครับกาพเจ้ออาจาร์เจ้าขายมอายุหกสิบสอปีแล้วค่ะศึกษาธรรมอยู่เจ้าค่ะกํากลังตัดการมราคะอยู่ แต่ถ้าชมคุณหมอว่าดีและเก่งน่ารักจะผิดไหมเจ้าค่ะอ๋อไม่ผิดหรอกมันเป็นการให้กําลังใจผู้ที่ทําความดีนั่นเองเราไม่มีการบารลมในขณะที่เราพูดนะฮะถ้าเราพูดไปแล้วเรามีการบารลมมันก็ถึงจะผิดนะคุณภาคเหนือภาคอีสานครับอาจารย์ครับเวลาผมคุมสติเวลานั่งสมาธิผมนั่งสมาธิเพชร ทำให้คุมสติเวลานั่งสมาธิได้และเวลาหลังสมาธิสามารถนั่งสมาธิเพชได้ไหมครับเวลาอั น, นไม่เข้าใจอันนี้ไม่เข้าใจครับคือนั่งในท่าสมาธิเพชรได้นั่งสมาธิเหมือจะนั่งแบบขวาทับซ้ายก็ได้ไม่ไม่เป็นปัญหาเลยแล้วแต่ถนัดเราคิดว่านั่งสมาธิเพชรแล้วทาให้เรามีสติดีก็ใช้หนะ้า คุณพัชรีครับการนักระการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่ามักแปดผลสี่นิพพานหนึ่งคำว่าผลสี่หมายถึงอะไรคะมักแปดก็คือหมายถึงทางสู่สู่พระนิพพานอ๋มักสี่ผลสี่ครับอาจารย์มักสี่ผลสี่นิพสี่มากครับคือมักเสียผลเสียนี่คือเป็นการมนรลุธรรมใน สี่ระดับด้วยกันธรรมนี่เรียกที่เราจะบรรลุนี่เหมือนกับการศึกษาระดับปริญญามีอยู่สี่ระดับถ้าเาอนุ ป, ปริญญามาม า, มาบวกด้วยก็ขั้นตอนเราก็จบอนุย ป, ปริญญาก่อนเช่นผู้ที่จบปวสนี่เขาถือว่าจบอนุ ป, ปริญญานะถ้าเรียนต่ออีกสองปีก็จะจบปริญญาตรีแล้วถ้าถอโทอก็สองปี ถ้าต่อเอกใกล้อห้าปีอันนี้ก็เป็นการบรรลุ ก, การศึกษาสี่ระดับด้วยกันอนปปุปริญญาปริญญาตีเทเองที น, นี้การจะบรรลุปริญญาแต่ละขั้นนี้มันต้องมีมีเหตุที่จะทําให้บรรลุคือเราต้องศึกษาวิชาต่างๆที่เขากำหนดไว้ ถ้าจะรับจบอนุปริญญา่ต้องเรียนวิชานั้นวิชานี้เรียนแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านพอสอบผ่านแล้วเขาก็จะมอบปริญญาบัตรให้เช่นเดียวกับระดับปริญญาตรีก็ต้องศึกษาวิชานั้นวิชานี้แล้วก็สอบให้ผ่านให้ด้เมื่อสอบผ่านเขาก็ถือว่าจบปริญญาได้รับการับปริญญาทางมัธยมศึกษานัก็แบบเดียวกันการที่อาจารย์บรรณุถึง ผลขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระสวดาบัได้เราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติวิชาของที่เขากาหนดไว้ให้ก่อนที่จะเป็นพระสวดาบัณฑาอันจะเป็นพระสวดาบันั้นก็ให้ละสัโยชนิจิกิจฉาศีลภัตตาปรมาสักกายทิจิอันนี้ก็เป็นเหมือนกับวิชารือที่เราจะต้องเรียนว่า ทั้งสามสายยัมยุทธ์ทั้งสามนี้มีอะไรบ้างแล้วเราจะละนละด้วยวิธีใดละได้ยอย่างไรก็ทําทงานด้วยกายปรปฏิบัติมากมีศีล ส, สมาธิปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ปัญญาศีลสมาธิการนั่งจิตให้สงบให้เป็นอเบคาศีลยรักษาศีลห้าศีลแปดถ้าเราทําได้แล้ว็ละสัก สามสามอย่างนี้ได้แล้วก็ได้ผลของขั้นที่หนึ่งคือเขาเรียกว่าโสดาปฏิผลโซยานะที่เราเรียนขณะที่เราปฏิบัติเพื่อรักสัมโยชน์สามนี้เราก็เรียกว่าโสดาปฏิมาผู้ที่เพียนศึกษาและปฏิบัติเพื่อรักสัมโยชน์สามข้อแรกนี้เรียกว่ากำลังเจริญโซดาปฏิมานะครับสา ม, มารถลัสัมโยชน์ทั้งสามข้อนี้ได้อย่างราบคา ก็จะได้ผลคือโซดาปฏิผลคือได้เป็นพระโซดาบัตจากขั้ น, นโซดาใหม่ก็จะต้องศึกษาปฏิบัติขึ้นไปต้องหน้าสัมย่อนอีกสอตัวด้วยกันถ้าเราสามารถทําให้สัมย่อนสองตัวต่อมาคือการมาราคะและปฏิฆะเบาบางได้ไม่ต้องจบไม่ต้องหมดท่านกล้ให้ถือว่าได้บรรลุเป็นขั้นที่สอง ในขั้นพระสกิฎาคามีต้องเจริญการพิจารณาอสุภะเพื่อละกา ร, รมราคานะนัตปฏิฆนะถ้าละได้ครึ่งหนึ่งเมาบางลก็คือไม่หมดแต่ละได้ครึ่งหนึ่งก็งห้าสิบห้าสิบก็ได้บรรลุขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีเราก็เรียกว่าสกิฎาคามีมั่งสกิฎาคามีผมแล้วถ้าเจริญต่อไป ขั้นที่สาคือทําให้การมราคะกับปฏิคะละได้เต็มร้อยก็จะได้ขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีผลขณะที่เจริญเพื่อให้อยากห้าสิบห้าสิบไปสู่การเต็มร้อยนี้เราก็เรียกว่ากําลังเจริญอนาคามีมากพอลได้เต็มร้อยก็เป็นอนาคามีผลขึ้นมาแล้วจากอนาคามี ก็ต้องศึกษาละล ะ, ละสมัมโยोชนิข้าข้อเรียกว่สาสัมยोชน์เบื้องบนสัมยชน์ห้าข้อแรกนี้เรียกว่สาสัมยोชน์เบื้องต่ําส่วนเมื่อเราละเบื้องต่ำได้ห้าข้อแล้วทีนี้เราก็ต้องไปละห้าข้อด้วยการปฏิบัติเช่นเดียวกับที่เราปฏิบัติการละสัมยชน์ห้าห้าข้อแรกด้วยการปฏิบัติศีนสมาธิปัญญาเป็นการปัญญาของเรานี่เปลี่ยน เปนจะเป้าหมายจากร่างกายไปสู่ จ, จิตใจแล้วก็ไปละสิ่งที่ยังคค้างอยู่ในจิตใจเช่รูปรากะอรูปรลากะความยินดีความติดในรูก ป, ประชานอโลกประชานะมานะการถือตัวอท่าัจะความเพียนแบบไม่มีขอบมีเขตจนทำให้จิตฟุ้งซ่านได้แล้วนะข้อสุดท้ายอวิชชา คือการไม่เห็นอริยสัจสีที่ยังนองข้างๆเลืออยู่ในใจอันนี้ก็จะได้เป็นอรั ต, ร ต, ร ต, ร ต, รตผลท่าละสัมยตห้าข้อสุดท้ายได้สัมยตหุ่นผู้ที่กำลังเจริญเพื่อละสัมยตหุ่นนี้เรียกว่ากำลังเจริญอรัตธรรมา พอได้นะก็ได้เป็นอาราัถผลไม่เป็นพระอาราขึ้นมาพอได้เป็นพระอาราแล้วก็จะได้รางวัลพิเศษตามมาอีกหนึ่งรางวัลคือพระนิพานพานเรียกน้มมรรคสีผลสีนิพพานขั้นเด่นไม่สามารถได้นิพพานขั้นโสดาบันยังได้ยังไม่ได้นิพพานขั้นสกิทาคามียังไม่ได้นิพพานขั้นราคามียังไม่ได้นิพพานต้องเป็นขั้นอาราถผล ก็ได้ละตับผลนะ้่เหมือนให้โบนัสได้โบนัสเจวจะได้นิพพานเป็นเป็นโบนัสเป็นรางวาัลแถมมารางวัลหวังว่าคงจะเข้าใจครับว่ามรรคสีผลสีนิพพานครับเข้าใจแล้วครับอาจารย์ คุณชัดครับการเรียนถามหลวงพ่อครับกรณีต้องการปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังควรเข้าปฏิบัติตามหลักสูตรเช่นห้าวันเจ็วันสิบห้าวันหรือเปล่าครับขอคําแนะนํากรณีต้องการปฏิบัติจริงจังเนื่องจากทางโลกจะเริ่มวางภาระแล้วครับคือถ้าเราไม่ทราบไม่รู้จักวิธีปฏิบัติด้วยตนเองการไปเรียนรู้จากผู้อื่นก็ทําได้ท่านเขาจะสอนวิธีการปฏิบัติทั้งวนันทั้งคืนให้เรา ถ้าไปเข้าตามหลักสูตรนี้ก็จะมีตารางเวลาเป็นกี่โมงไหวพ้พระสวดมนต์รับประทานอาหารเดิยนยจงกรมนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมพักผอนทํากิจวัตรทาความสะอาดเสร็จแล้วก็อาบน้ำอาบท่าตอนเย็นก็เข้าไหวพ้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมจนถึงเวลาพักผ่อน ถ้าเราทําเองไม่ได้เราก็ต้องไปอาศัยหลักสูตรให้เขาบักครับให้เราทําเป็นเหมือนกับคนที่ต้องไปอยู่โรงเรียนกินนอนเพื่อดัดนิสัยถ้าอยู่บ้านแล้วขี้เกียจไม่ยอมทำอยากออกไปอยู่โรงเรียนกินนอนนี่เขามีตารางให้ทำตั้งแต่ตเช่าจนหลับอันนี้ก็แบบเดียวกันแต่ถ้าเรามีตารางกําหนดตารางขึ้นมาเองได้แล้วเราปฏิบัติตามลทําได้เราก็ไม่ต้องไป ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาปฏิบัติอะไรกันมากก็เราไปในการปฏิบัติก็อาจจะเราอาจจะมาปรับปรุงดัดแปลงได้เช่นการไหว้ผ้าสวดมนต์นี่บางทีแล้วอาจจะไม่ต้องทำนะถ้าเราจะใช้เวลานั้นมานั่งสมาธิมาะเดินโยงกงบแทนก็ได้อันนี้มันอันนี้เป็นหลักสูนย์สำหรับพื้นฐานของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติก็าอาจจะไม่มีสติพอที่จะเดินโงกงมนั่งสมาธิได้เขาก็เลยให้มาใช้การสวดมนต์ ว่ายภาคส่วนเป็นวิธีจรติตไปก่อนคุณจุธาครับกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะหากเราทำพินัยกรรมแสดงเจตนาไม่รับการรักษาการทำหัตถการใดๆหากเราอยู่ในสภาพไม่สามารถบอกกล่าวได้และแสดงเจตนาบริจาคอวียะภายในต่างๆแก่บุคคลที่อื่นที่จำเป็นคำถามขาดไปแค่นี้ครับอาจารย์คือการทาพินัย ก, กรรมที่เป็นการแสดงเจตนา แต่คนที่เขาบางทีเขาไม่รู้เช่นหมอบางทีเขาไม่รู้เขาก็รักษาไปตามทําหน้าที่ของเขาานั้นบางทีการชสดงทาให้นายกรรมนละคนที่เราบอกนี่เขาอาจจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่เราไม่ทบาบก็ได้นันก็เพราันมันก็ไม่ไม่จําเป็นหรอกคือความจริงคื อ, อถ้าเราพูดได้ก็บอกว่าไม่ต้องการรักษา ก็จับใ น, น, นแต่ถ้าเราหมดสติตสลบสลายไปเขาจะทำอะไรนนี้ก็เรามาช่วยเลยนะยกเว้นมีมี ม, มีมีบุคคลหนึ่งเท่าที่เคยได้ยินเขาให้เขาให้สลักเลยเขาให้เขาเลยการลงยันให้อะไแททูไปแท ท, ทูให้เขียนว่าไม่ให้ไม่ให้รักษาเวลาเป็นอะไรไม่ให้รักษา แต่ภาษาอังกฤษกเรียกว่า do not r e s u s c i t a t คือไม่ให้ฟั้หัวใจครับก็ให้ฟังไว้ที่ให้ให้สักไว้ที่การหมกนะเพราะที่จะน่าพอคนจะมาปั้หัวใจเห็นอาจชาวจะริ้วอยเขาไหมเขาให้ฟั้หัวใจแต่ทั้งนี้ทางนั้นทางเชิงปฏิบัติที่เราไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่เรื่องนังตายเราไม่กังวลเพราะเรารู้ว่ามันางานมันต้องตาย ไปรักษาหรือไม่รักษาก็ต้องตายโลตสําคัญคือจิตที่เราจะทำไงไม่ให้มันทุกกับความเป็นความตายของร่างกายทั้งนี้ถ้าเรามาดูแลเรื่องจิตเดี่าแล้วพอเราปล่อยวางร่างกายได้แล้วร่างกายเวลาเป็นอะไรใครก็จะไปทําอะไรก็ถ้าเราห้ามเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาทํไปถ้าเราสั่งได้ห้ามได้เราก็สั่งไปทั้นั้นเอง ส่วนอวัยวะที่บริจากเลือดพินิจกรรมนี้ไม่ถือว่าเป็นบุญนไม่ไม่เป็นทานเพราะยังไม่ได้ให้แต่ถ้าให้ในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้บุญเช่นบอยจากเลือดเน้นได้บุญเป็นทานเลือดบริจากในตาข้างหนึ่งให้กับผู้อื่นไปเลือดไตข้างหนึ่งไปอย่างนี้ได้ได้บุญเพราะเป็นการทำทานด้วยการเสียสลาเพราะผู้ที่เสียสลาได้เห็นได้รู้ว่าได้ตอนใดได้เสียสลา ของที่เป็นของมงตรให้แก่ผู้ต่เวลาที่ตายไปแล้วไม่รู้แล้วว่าว่าได้เอาไปให้ผู้หรือไม่แต่อย่างไดอาจารย์ครับแล้วในกรณีที่ไม่รับการรักษานี่ไม่ได้ถือว่าเป็น mercy killing อย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ได้ม่ไม่ไม่ได้รักษาไม่ได้บอกให้ให้ให้กั้นระบกหรืออะไรทั้งแต่ว่าไม่ไม่เขาให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาตินี้่ ถ้ามันอยู่ได้ก็ปล่อยมันอยู่ไปถ้ามันอยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปแต่ไม่ต้องการให้ยืดหรือป่วีนมันด้วยการใส่ท่ออะไรต่างๆช่วยหายใจช่วยให้มันทำให้หัวใจเต้นทำอะไรต่างๆานี้โดยไม่โดยที่ไม่เป็นหลักของธรรมชาติต้องการจะปล่อยให้ร่างกายอยู่ตามธรรมชาติทันอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไป ถอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายคุณอาดุลครับกลาวนพัสีกรากกรพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์แนะวิธีระงับความโกรธและความใจร้อนด้วยครับก็ต้องละความอยากความต้องการให้น้อยลงให้เกิดความมักน้อยสัมย ด, ดเรามักน้อยแล้วเรามีความสัมย ด, ดือยิยนดีตามมีตามการ ได้มากได้น้อยก็ได้ได้เร็วได้ช้าก็ได้นะะั่นเอที่เราก็จะไม่ค่อยโกรธใจเราก็จะไม่ร้อนที่ใจร้อนก็เรามากัมา ก, ก, กมากโลภโลภมากอั่นีองต้อมีความโลภมากมันก็ร้อนพอไม่ได้เลยดังใจก็โกรธท่านผู้เจ้าสอนให้เราฝึกความมักน้อยสัมฤทธิ์เอาไม่น้อยเอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็ยินดีตามมีตามเคย ได้ช้าได้แล้วได้มากได้น้อยก็พอใจอย่างนี้ใจก็จะไม่ร้อนคุณอธิชาครับการนัศักดิสิทธิพระอาจารย์ค่ะมีคนเคยบอกหนูว่าเวลาทําบุญถ้าเราอธิษฐานขอให้ได้ไปนิพพานในชาตินี้หรือชาติต่อๆไปเราจะเจอวิบากกรรมหนักๆอย่างต่อเนื่องในชาตินี้เพื่อเป็นการบังคับให้เราได้ละทางโลกและมาทางธรรมหรือเปล่าคะหรือว่าไม่เกี่ยวกันคะ และการทําบุญต่างๆอย่างสร้างพระถวายสังฆทานสร้างโบสถ์หรือตักบาทล้วนต่างเป็นบุญชนิดเดียวกันใช่ไหมคะที่เขาบอกว่าทําบุญแบบนี้แบบนั้นเป็นบุญใหญ่ขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะใช่การจยบบาปนิพพานนี่เราต้องสร้างบุญอยู่หกชนิดด้วยกันสร้างเมตตาสร้างทานคือการทําบุญทําทานสร้างโบสถ์สร้างเกียรถวายสังฆทานนี่อยู่ในอยู่ในระดับของฐานนอกจากทานแล้วเราอยต้อง รักษาศีลห้าให้ได้รักษาศีลห้าได้แล้วเราก็ต้องไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างในธรร ม, มาบารมีแล้วก็สร้างอุเบกขาที่ได้จากการฝึกสมาธิแล้วก็ควาเทศความธรรมหรือเจริญพิจารณาธรรมจะให้เกิดปัญญาขึ้นมาถึงจะไปถึงนิพพานได้ ไม่ใช่เพียงแต่ใส่บาทเพื่อทําบุญเน้วขออาเ่งขอเทธฐานว่าขอให้ได้ไปนิพพานไปไม่ได้หรอกเหมือนขอเติมน้ามันแค่สิ บ, บาทแล้วจะวิ่งจากกรุงเทพไปชนบุรีนี่ไปไม่ถึงเราต้องรู้ว่าการจะวิ่งจากกรุงเทพไปชนบุรีนต้องต้องใช้น้ํามันกี่ลิตรบางครั้งเราก็ต้องเติมให้ครบลิตรมันถึงจะไปถึงได้อันนี้ก็เหมือนกันการจบไปนิพพานนี้ ต้องมีการทำบุญหลายชนิดด้วยกันถึงจะไปถึงได้หกชนิดด้วยกันอย่างที่ได้พูดถึงต้องมีความเมตตาต่อทุกค น, นต้องมีการแบ่งปันเสียสละให้ทานทำทานต้องรักษาศีลหให้ได้แล้วก็ต้องไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมซื้อสิ่งแป น, น, นั่งสมาธิให้ได้เบิกขาแล้วก็ฝึกการทำเทศทำธรรมแล้วนํามาสอนใจให้ขัดปัญญาขึ้น อันนี้ในงานไปนี้ผ่า น, นาได้ส่วนอุปสรรคอะไรต่างๆในโลกกําหนักตามบานี่มันไม่เกี่ยวกันอันนี้มันเป็นเรื่องของเหตุการณ์ส่วนในงานมาจากอุบัติวิบากกรรมที่เราเคยทํามาแน่ดมันสมคได้อย่างนั้นเกี่ยวกับเ ร, เรื่องเหตุการณ์ทางของโลกโลกนี่มันก็เป็นโลกของความทุกข์อยู่แล้วมันมีเรื่องของให้มาให้เรับทุกข์อยู่เรื่อยๆเห็นไหมอย่างเรื่องโควิดนี้ก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะมีขึ้นมาได้ในในชีวิตของเรามันก็มีได้ไมีทั่วโลก เรื่องของนี่เป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องของธรรมดาของโลกไม่ว่าจะทําบวชทำดีทำเชื่อมันก็ต้องเจอเรื่องเรื่องราวเหล่านี้ของของธรรมโลกทุกคนคุณเก้าเดินต่อไปครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามว่ามีสองข้อข้อที่หนึ่งครับถ้ามีคนมาชอบเราแล้วต้องเจอกันทุกวันเราจะต้องสอนใจยังไงให้เข้มแข็งที่จะไม่วไหวั่นไหวเจ้าคะ่ะ ก็บอ่าเดี๋ยวเราต้องตาจากกันเราต้องมีการท่าท่าจากกันเป็นธรรมดาไม่ว่าจ ะ, ะชาหรือจะเร็วท่านนี้แต่ไม่ชาไมเ่เร็วก็ต้องมีการจากกันข้อที่สองครับที่ทํางานมีคนอิจฉาเราเราเลี่ยงที่จะไม่คุยกับเขาทําแบบนี้ถูกไหมค ะ, ะถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้ามีความจําเป็นจะต้องคุยก็ควรจะใช้หลักเมตตาเราต้องเป็นเป็นเพื่อนกับทุกคน เมื่อถึงเวลาที่เราจะต้องทัดทายเขาเจอเขาก็ใช้ความเมตตาทัดทายเขาไปส่วนเรื่องอิจฉานี่เรางไปห้ามเขาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นมันเป็นเหมือนกับรูปร่างหน้าตาของเขารูปร่างหน้าตาของเขาเขาก็เป็นของเขาอย่างนี้แหละเราจะไปเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาเขาไม่ได้อย่างไรแล้วก็ไปเปลี่ยนนิสัยเขาไม่ได้เขาจิจฉาก็เรื่องของเขาไป คุณดวงตาครับขอเมตตาอธิบายาศาสนาพุทธกับาศาสนาคริสต์ต่างกันอย่างไรคะได้ยินมาว่ า, าศาสนาคริสต์ล้างบาปได้จริงหรือไม่คะอันนี้คงจะต้องไปถา ม, ถามทางาศาสนาคริสต์ดีกว่านะเพราะเราเนี่ยพูดไปแล้วเดี๋ยวจะไม่ถูกส่วนาศาสนาพุทธนี้บาปล้างไม่ได้บาปเมื่อทำไปแล้วก็ต้องมีต้องรอให้มันเกิดขึ้นมีผลเกดขึ้นกับเราชาติเร็ อาจจะไม่เกิดในภพนิชชานี้ก็ได้อาจจะไปเกิดในภพต่อไปชาติต่อไปก็ได้คุณสมพรครับการกําจัดความอยากการเสพทุกประเภทใช้ธรรมะข้อใดมาหยุดมากําจัดความอยากให้ลดลงครับน้ำกลับนะขอคำแนะนําครับก็ใช้ตายรักนี่แนหะของทุกอย่างที่เราเสพนี่มันเป็นตายรักมนะันเป็นความสุขชัวว่วคราวมันนิจจ์เวลาไปเที่ยวก็มีความ เวลากลับมาบ้านความสุขที่ได้ า, ากจะไปเที่ยวก็หมดไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่ก็เลยต้องออกไปเที่ยวใหม่เที่ยวเท่าไหรก่ก็มันก็ไม่มีวันหมดถ้าเกิดไม่มีโอกาสไปได้เช่นช่วงโควิดไปไม่ได้นี่ยิ่งทุกข์กันใหญ่ให้เห็นว่าการไปเสพทุกการไปเสพสิ่งต่างๆทุกประเภทนี้จะนําความทุกข์มาให้แก่ผู้เสพไม่ใช่ก็เลยแต่ใ น, นเบื้องต้นอาจจะได้ความสุข เป็นความสุขอมพลางความทุกเป็นเหมือนปลาที่มีก้างนะีกินเนื้อปลาไปแล้วเดี๋ยวก็ถูกก้างสัดพระเจ้าบอให้เสกความสุขแบบที่ไม่มีก้างเลยไปหรือเสกความสงบที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่อาจารย์สักครู่นะครับมีคนคอมเมนต์เยอะเลยครับ <Okay. S 2> คุณแองเจ ทิฟฟ่านะครับเมื่อเราสูญเสียคนในครอบครัวทั้งๆ ท, ที่ทราบดีว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่มันยังมีความรู้สึกผิดรู้สึกว่าเราดูแลได้ไม่ทันท่วงทีจึงเป็นสาเหตุให้สูญเสียเราควรวางใจอย่างไรคะัขอความเมตตาพระอาจารย์ครับก็ เ, เราต้องมองว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยมันเป็นสิ่งที่เราไม่ไมอยู่ในความสามารถของเราที่จะไปยับยา้ไปช่วยเขาได้ มันเกิดไปแล้วก็ปล่อยมันเกิดไปมาคิดให้ให้คิดให้คิดให้ทุกข์ใจไประปร่าๆทำไมอาใจเป็นอเบกขาถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉาก็จะเฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะปล่อยมางได้ยอย่างที่เห็นนี่ที่พวกเราต้องมาฝึกสมาธิกันเพื่อมีอุเบกขาแล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์อะไที่ไม่อยู่ในวิสัยที่เราจะทําะไรได้เราก็จะได้ไม่มาโทษตัวเ คุณปาริชาติครับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะหลังจากพยายามตีความอย่างลึกซึ้งของคำกล่าวเกี่ยวกับความรักของพระพุทธเจ้าแล้วไม่แน่ใจว่าตีความตื้นไปหรือไม่คำกล่าวที่ว่าความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในการก่อนหนึ่งด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันหนึ่งเหมือนดอกอุบลเมื่อเกิดในน้ําย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือ น, น้ําและเปลือกต้มฉะนั้นกลัขบขอบพระคุณค่ะ คืเวลาเราเจอใครแล้วเรามีความรักความชอบเราเนี่ยบางทีส่วนหนึ่งก็เกิดจากอดีตชาติเราเคยมีเราเคยรักเขามาก่อนพอเราเห็นเขาปั๊บเราก็เกิดความรักขึ้นมาในใจทันทีอันนี้ที่เรียกว่าเป็นเหตุข้อที่หนึ่งที่เครอยู่ร่วมกันในการก่อนมันจะเคยเป็นแฟนกันเป็นคู่รักกันในการก่อนก็ได้ พอมาเกิด oh ในชาตินี้พอเจอกันปั๊บถึงแม้ว่าหน้าตาจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่เห็นพอเห็นแล้วมันรู้สึกมีมีลักษณะที่มันคล้ายเคียงกันก็เกิดความรักกันขึ้นมาในบุคคลนั้นอีกแฉนึงที่ทําให้เรารักกันชอบกันก็คือการที่เราเกือกูลกันในปัจจุบันชาติก่อนอาจจะไม่มีการรักกันมาก่อนแล้วเจอกันใหม่ๆก็รู้สึกเฉยๆไม่มีความรู้สึกจะรักเขา แต่ไม erm ่ได้อยู่ด้วยการได้ทําอะไรด้วยการแล้วมีการช่วยเหลือกันอยู <un m bs Twelve> ่เร <c oughs oughs> ื่อยๆเกื้อกูลกันอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เกิดความรักกัดขึ้นมาได้นี่คือความหมายของเหตุที่เรารักใครมีสองเหตุด้วยกันเหตุแรกก็คือไม่รู้เป็นเหตุอะไรเห็นคนนี้แล้วชอบเขาขึ้นมาทันทีเหตุที่สองเกิดจากว่าไม่เคยไม่ชอบคนนี้แต่ว่าได้อยู่ด้วยกันได้ทํางานร่วมกันได้ทําอะไรด่วยกันแล้วรู้สึกว่าเขาเกื้อกูลเรา ก็เลยทําให้เรารู้สึกรักเขาชอบเขาขึ้นมาได้คุณกำมณฑำครับผู้ใหญ่ที่เป็นแบบบ้านแบบกองศีกลัวลูกหลานจะแย่งสมบัติกันทนั้งที่ไม่มีใครคิดทำควรแก้ไขยังไงดีเจ้าคะอ๋อผู้ใหญ่เขาเขาเขาเขาแก่เราขเขารู้หรอว่าเรื่องนิสัยการแย่งสมบัตินี้มันเป็นเป็นปกติของลูกหลาทุกคน มีเศรษฐีคนหนึ่งวิธีเขาจะไม่ให้แย่งกันก็คือเขาจะเขาจะให้ทุกคนมีสิทธิ์ด้วยกันทุกคนเวมีสมบัตินี้จะใส่ชื่อของลูกทั้งหมดทั้งหมดในครอบครัวมีกี่คนก็ให้สใส่ทั้งหมดเวลาจะทำอะไรต้องต้องทุกคนจะต้องเห็นชอบเช่นวิธีเดินแปลงนะี่ก็ให้ลงชื่อเป็นของลูกทั้งทั้งหมดในครอบครัวคือเป็นสมบัติด้วยกันร่วมกันหมดทุกคน เวลาตายไไม่ต้องมาแบกสมบัติให้เสียเวลาเขาแบกกันเองเขาไปว่าจะขายที่ดินถ้าคนถนึงไม่ยอมเซ็นชื่อก็ขายไม่ได้ก็ต้องเจียก่อบกันคุยกันดีกว่าจะยอมกั น, น, นคือมีมาหมาเศรษฐีนะ ท, ที่เคยเห็นที่เคยได้ยินมาเขาจะให้าใค้ของสมบัติของเขาทุกทุกชิ้นท้งอันนี้มีชื่อของโลกเขาทุกคนเป็นเป็นเจ้าของ คุณก็ผมก็ว่าเดี๋ยวก็ทะเลาะ ก, กันหรือาเากันัก็ต้องยอมกันดีๆเพราะว่าทะเลาะ ก, กันมันก็เอาไปไม่ได้ใช่ไหมใช่ยมันต้อ ง, องยอมกันต้องอักรีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งคนคุณพารัตครับกานมัาสการพระอาจารย์ครับผมอยากถามว่าหัวใจและหลักการปฏิบัติธรรมคืออะไรแล้วการปฏิบัติธรรมนำพาชีวิตให้พบกับแสงสว่างทางจิตใจได้อย่างไรครับ การปฏิบัติธรรมเพื่อกำจัดความทุกข์ที่มีในใจเราให้หมไหดไป้ดยการกำจัดเหตุของความทุกข์ก็คือกิเลสตัณหาที่มีในใจของเรา้ดยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาที่เรียกว่าปฏิบัติธรรมถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเราก็จะสามารถกำจัดกิเลสตัณหาที่เป็นตัวก่อความทุกข์ต่างๆของในใจเราได้เมื่อไม่มีกิเลสตัณหา ควทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปใจก็จะพบกับแสงสว่างของความสุขที่แท้จริงคือคว า, านิพพานคุณสมพรครับปุชชาพระอาจารย์โยมจะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละท่านแต่ละคนปฏิบัติธรรมอยู่ใ น, ในระดับไหนเอาเกณฑ์อะไรมาดูมากําหนดหรือไม่ต้องไปให้ความสําคัญไม่ต้องไปให้ความสนใจให้ใช้ชีวิตตามปกติน้ำกลับข อ, ขอคนาแนะนําพระอาจารย์ครับ ก็ความจริงไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นนอกจากว่าถ้าเขามาพูดนะอดอ้วดเราโอ้อวดนี่เราก็อาจจะวัดเขาได้ด้วยทาที่เรามีอยู่ถ้าเรามีสีเนี่ยเราก็จะวัดคนที่มีสีหรือไม่มีสีได้ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะวัดคนที่มีสมาธิได้แต่คนที่เขามีที่เหนือกับเรานี่เราจะวัดเขาไม่ได้เะฉั้น เราจะวัดได้ก็เฉพาะในธรรมที่เรามีอยู่ถ้าเรามีสิ่ห้าล้วคนนะอ๋อแล้วเขามีสิ่ห้าเราก็จะตั้งฐานเพราะว่ารับคุณทํานี้หรือเปล่าธรรนั้นหรือเปล่า <c oughs> อันนี้ก็ถ้าเราไปคุยกันข่าอาจจะสามารถทราบได้ว่าเขาอยู่ในธรรมในระดับไหนตับกับเราที่เรารู้ท่าขเราเรารู้แต่สุกของเราที่เราไม่รู้ คุณก้องครับก า, ก, การนวัตสการพระอาจารย์ครับถามพระอาจารย์ว่าเมื่อมีญาติหรือเพื่อนที่เคยมีบุญคุณกับเรามาขอยืมเงินเราเราพอมีบ้างแต่เรารู้ว่าเขาเป็นคนติดการพนันมาตลอดเราจะทําอย่างไรดีครับถ้าเราต้องการจะทดแทนบุญคุณก็มอให้เข้าไปที่ว่าเราใช้หนี้กลับไปแล้วก็จบอาจจะบอกเขาว่าช่วยได้ทำนี้นะหมดนะั้นก็หมดกันนะเพืกันไม่ให้เขามาขอบ่อย แต่ถ้าเราคิดว่าเราเป็นหนีน้เขาหนี้บุญคุณก็ต้องทดแทนบุญคุณกันไปเมื่อเขาเดือดร้อนไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามก็ถือว่าเป็นการใช้หนี้เข้าไปเข้ามาท่นหนี้เราแล้วนะคุณสวัสดีครับพระอาจารย์ผมขอสอบถามครับคนที่มีอภิน ญ, ญาคือมรรลุโสดาบันไหมครับไม่หรอกอภิญญานี่เป็นระดับสมาธิไงยังไม่เป็นภพระเรียบคนก็ได้ มีหลายการณีด้วยกันที่เช่นพระเทวทัานนี่ก็ไม่ได้บรรลุเป็นพระเรือยังคนแต่มีอภิญญารู้สึกมีความสามารถทําได้ทำหนึ่งไม่ทาราบทําไหนก็เลยทําให้ตนเองลงคิดว่าตนเองเป็นทูตวิเศษสามารถที่จะปกครองสงแทนพระพุทธเจ้าได้แต่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระสุดดวรรณด้วยพระอารหันต์แสดงว่าจิตใ จ, จยังเต็มไป ด, ด้วยกิเลสตถาหานี้ จากคุณสมพรครับทำอย่างไรถ้าโยมไม่ได้จำศัพทเฉพาะทางธรรมะมีคำเฉพาะมากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับไม่จำเป็นต้องรู้มากให้รู้แค่สินสมาธิปัญญารู้เกี่ยวกับธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ก็พอย่างวันนี้ก็ได้พูดหลายคำด้วยกันถ้าคำไหนไม่เข้าใจเข้าไปเปิดดูได้เช่นาวามีสิทธิอ์อเงี้ยเี่นก็เป็นสิ่งที่ควรรู้กัรู้ไป แต่อย่างอื่นถ้าไม่ควรรู้าไม่ทําเป็ไม่ทำรูำ้ก็ได้คุณนัทชัยครับกาบนักสการพระอาจารย์ครับมีเรื่องสงสัยครับถ้าเราโอนเงินไปทําบุญอ่าได้โอนเงินไปแล้วไปให้เองก็ได้เหมืนนอนกันโอนดูช่อมบัญชีวัดไปเลยแล้วทําท ำ, ทำการโรงพยาบาลก็โอนช่องไปโรงพยาบาลไปเลยก็ได้ถ้าให้เป็นถ้าเป็นการให้ก็ถือว่เาเป็นการทําบุญ คุณทีเคครับเรียนถามผู้อาจารย์ค่ะกรณีเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาหรือการตั้งครันอยากทราบว่ามีดวงจิตขึ้นเกิดขึ้นมาทันทีตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์แรกในครันหรือดวงจิตจะมาเกิดในครันเกิดขึ้นตอนไหนเจ้าคะตามความเข้าใจของเราเนะี่เราคิดว่ามันจะการเรียนตั้งคันน่านี้มันจะต้องมีสามส่วนมาม า, ม า, ม, ามาพบปากกันโดยส่วนของพ่อส่วนของแม่แล้วก็ดวงบัญญัต เมื่อสามส่วนนี้มามารวมกันมาพบกันปั๊บนี่การตั้งคันก็เกิดขึ้น ท, ทันทีการปฏิสมนธิก็เกิดขึ้น ท, ทันทีอาจจะผิดใชเราไม่รู้ันะแต่เราคิว่ามันมันมันต้องเป็นอย่างนั้น ค, คุณแพทครับกลับเรียนถามค่ะการที่เราไม่มีบริวารมีคนกล่าวว่าเป็นเพราะเราไม่มีบารมี ไม่ได้สร้างบารมีแต่ชาติก่อนบารมีในข้อใดคะที่เราไม่ได้สร้างทานบารมีถ้าเราทําทานให้จากเงินแจกทองช่วยเหลือคนนั้นคนนี้เราจะมีมีบรมีบริวารมากแย่ตอนนี้เรามีบริวารมารับเข้าของต่อชาติวินอบาทยิะแย่ไปหมดเลยหลายสิบคนด้วยกันตอนนี้ได้จากทุนการศึกษาไปแล้วเนี่ยเกือบเจ็ดสิบลายมันบอกบอกให้เขา ถามว่าใครไม่ใครไม่มีเงินจ่ายค่าลเล่าเรียก็ก ม, มาขอมได้ก็เลยมีมาขอเงินเกือบเจ็ดสิบนายด้วย่ยก็รับให้เขาเป็นหมดทุกรายทุนละห้าพันนะทุกวันเขาก็ยังมารอรับของอยู่นะอะไรทุกวันก็แจกนมให้เขามีนมก็แจกให้เด็กแล้วนะของที่เหลือจากเบญจบาลที่มากกว่าที่พ่อจะช้ำได้ก็แจกกันตอนนั้นเลยที่ไปอื ที่ปลายแถวมีคนมารอรับกันทุกวันนี่คือบริวารเท่านั้นคุณอุไรครับขอา ก, าการณ์ัศการพระอาจารย์ไม่อยากจะเกิดอีกต้องทำอย่างไรบ้างคะก็ต้องจัดจีเรตันหาให้หมดประจันใจด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลบาลมิทานศีลพอนาะซึ่งเป็นตา่าองเดียวกันเพียงแต่ว่าต้อง ก็เพิ่มตัวทานด้วยถ้าเรายังมีเงินมีทองเหลืออยู่เนีก็อย่าอย่ากเก็บเอาไว้สละเงินทองมาให้หมดเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปบวชเพื่อปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพราะถ้ามีเงินมันก็จะเป็นภาระที่เราจะต้องมาคอยดูแลรักษาแล้วยจะต้องคอยอาศัยเงนินทองซึ่งมันก็จะทําให้เราไม่สามารถไป ไสูการหยุดพ้นได้ถ้ า, ายังต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้คุณพิสมัยครับการอธิษฐานอุทิศบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นเช่นลูกหลานอย่างนี้จะมีผลหรือไม่เจ้าคะคือาจริงการอุทิศบุญกุศลนี้เราไม่ได้เราไม่ได้อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพราะเจ้ากรรมนเวรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ยังไม่ตาย คนที่มีปัญหากับเราคนที่ตายไปแล้วนี่เราคนอยากจะอุทิศให้กับบุปการีผู้มีพระคุณทั้งหลายนี่ได้เป็นไม่ทราบเป็นยังไงเขาเป็นเป็นความเชื่อว่าทำบุญ แ, แล้วอุทิศให้ได้หมดสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งเจ้า ก, กรรมนายเวรด้วยที่เราเห็นหรือไม่เห็นอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นทรรแบบอุทิศแบบครอบจักรวาล ทำบุญน้อยบาทแล้วเขาทิ้นให้มันครอบจั ก, กรวาลไป <c oughs> ความจริงส่วนใหญ่การอุทิ้งบุญนี้โดยหลักในเดิมนี้อุทิศให้กับผู้ที่ล่วงล้ำไปแล้วแล้วเข้ามาขอบุญยมิญญาณมาขอบุญวยการเข้าเข้ามาในฝันเราก็ดีหรือมาแสดงนิมิตอรอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราให้เรารู้สึกว่าเป็นเขามาขอความช่วยเหลือลแล้วก็ทำบุญทิ้ไปให้กับบุคคล ผลเจ้ากรรมในเวรนี้เราต้องระงับสร้างแค่เจ้ากรรมในเวรด้วยกันอย่าไปกาะกรรมเก่อกเวรกับใครแล้วเราก็จะไม่มีเจ้ากรรมายเวรถ้าเรามาีนะเราก็ต้องใช้อุเบกขารอรับกับผลจากเจ้ากรรมในเวรของเราเพราะเราไปห้ามเขาไม่ได้เพราะเราไปทําให้เขาโกรธเกลียดนะแล้วเราอยู่ดีๆอจะทําให้เขาหายโกรธเกลียแล้วด้วยการอุทิศบุญให้เขาเพราะไม่เอาหรอกเขาต้องการล่างแค้ง ต, ต, ต า, ต, า, ต, าต่อตาฟันต่อฟัน ถ้าไม่อยากจะให้ก็ามาทําของเราเราก็อย่าไปทําอำเขาอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมด้วยการมีความเมตตาต่อสรรสัพสัตว์ทั้งปวงครับทุกคนแล้วต่อไปเราก็จะไม่มีก้าวกรรมในเวรมาราวีต่อไปคุณทัสครับขอความเมตตาพระ อ, อาจารย์อธิบายอาการวิปลาสเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างคะก็เกิดอา ก, การไม่มีสติการหลง เห็นผิดเป็นชอบกเรีกว่าวิปลาสเห็นเห็นแมวเป็นสุนัขก็เรียกว่าวิปลาสเห็นว่าตนเองเป็นพระพระพระเจ้าเเห็นไม่มีข่าวค่าวมีมาเป็นพระเจ้ามาเป็นพระบิดาอะไรว่าไปนี่ก็เรียกว่าวิปลาส คุณพอครับผมพักอาศัยในคอนโดทําให้เดินจงกรมในห้องสั้นไปผมเลยจะไปเดินรอบคอนโดเป็นวงกลมแต่จะพุทโธกับเดินไปด้วยไม่ได้เดินไปกลับแต่เดินเป็นวงกลมแบบนี้ได้ไหมครับได้เดินวงกลมก็เดินไปยาวเป็นกิโลก็ได้อย่างเดินบนท่าเรือพลาสติสามารถถือเป็นการเดินจงกรมไปในตัวก็ได้และเดินอยู่ที่ทํางานแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำก็เรียกวันเดินจบกรมได้ ถ้าเรามีสติถือว่าเป็นการเดินโยกมุขเลื้อกลกจากที่นั่งทํา ง, งานไปเดิเข้าห้น้ำแล้ก็พุทโธพุทโธไปเแต่ระยะเวลามันสั้นหน่อยนะเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินแล้วเรามีสติอยู่ควบคุมใจไม่ให้จิดผูกใจก็ถือว่าเป็นการเดินจยกมได้คุณพัทละเองครับการทำพิธการพระอาจารย์ครับอยากถามว่าสวดมนต์ยังไงให้เข้าฌานได้ครับ คือการสวดมนต์นี้ไม่สามารถเข้าฌานได้เพียงแต่ว่าเป็นการช่วยให้เรามีสติมากขึ้นเพื่อที่เราจะได้มานั่งดูลมหายใจเข้า อ, อแล้วเมื่อสามารถมีสติดูลมหายใจเข้าออกแล้วไม่คิดตู่แต่งได้เดี๋ยวใจเราก็จะเข้าสู่ฌานได้ต่อไปเรื่องต้นบางทีนั่งดูลมยิ้มดูไม่ได้เพราใจเครียดใจทุ้งกับเรื่องราวต่างๆก็อาศัยการสวดมนต์มันมนัาความเครียดความทุ้งทุ่งสร้าง พอความเครยียดการพุ่งแซนหายไปพอทําให้เํานั่งดูลมได้เราก็ค่อยดูต่อไปถ้าดูลม อ, อย่างต่อเนี่อไม่ไปคิดอะไรได้เนื้อจิตก็เข้าฌานได้คุณสารละเร็วครับรบกวนสอบถามพระอาจารย์ครับจิตกับวิ ญ, ญญาณคือสิ่งเดียวกันหรือเปล่าครับและสัตว์โลกทุกชนิดต้องมีจิตและวิ ญ, ญญาณสถิตอยู่ทุกชนิดหรือเปล่าครับคือจิตกับวิ ญ, ญญาณที่บางทีเราก็า <Yeah. S 2> ใช้แทนกันได้ คือเวลาจิตอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตพอจิตแยกออกจากร่างกายเช่นร่างกายตายไปล้วก็เปลี่ยนชื่อจิตมาเป็นวิญญาณแทนแต่เป็นตัวเดียวกันเหมือนกับคนที่แต่งงานกับคนที่ไม่แต่งงานผู้หญิงตอนนี้ยังไม่แต่งงานเขาเป็นน้ำสาวพอแต่งงานก็เปลี่ยนเป็นนางแต่เป็นคนคนเดียวกันนั้นจิตกับวิญญาณนี้เป็นตัวเดียวกันใช้ต่างสถานะกัน เวลาไม่มีร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาเวลามีร่างกายเราก็เรียกว่าจิตหนือใจแล้วขณะแล้ววิญญาณอีกตัวหนึ่งนี้ก็เรียกว่าวิญญาณในขนานห้าวิญญาณตัวนี้เป็นวิญญาณที่ทำหน้าที่อยู่ในจิตทำหน้าที่รับรู้ลูกเสียงกลิ่นที่ส่งมาทางตาหูากทางตาหูจมูกนิ้วกายตัวนี้เรียกว่าวิญญาณหนึ่งเช่เราเนียก ว, ญญวิญญาณทางตาวิญญาณทางหูโสตวิญญาณจากักรวิญญาณนี้อันนี้เป็นวิญญาณที่อยู่ในขันห้าที่อยู่ในจิตนทําหน้าที่รับรูปสิ่งกิจนั่จากตาหูจมูกเนื้อง่ายเข้ามาสู่ใจทีห น, นตัวนี้เป็นปเป็นยอดวิญญาณในขันห้าแต่วิญญาณที่เราให้ชื่อกับจิตเวลาไม่มีร่างกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณแต่เราลตัวไป ของมันคงจะเข้าใจวิญญาณาามีสองคามหมาหภาษาไทยทําให้งงนะครับความจริงรในภาษาบาลีเขาไม่เขาไม่ใช้เราไม่เรียกขีดพระวิญญาณครับครับเรียกว่าจิตครั บ, ค, รบคุณแสงวันครับกราบถามพระอาจารย์ค่ะว่าที่เรารับอาหารจากพระที่มารับบิณฑบาตจากญาติโยมโดยที่พระท่านยังไม่ได้เอาไปปัชเลยท่านแบ่งปันระหว่างดัางแบ่งปันให้เราจะบาปไหมคะ ถ้าท่านให้ไม่บางถ้าท่านให้แสดงว่าท่านท่านรู้ว่าท่านท่านต้องการเท่าไหร่ส่วนที่ท่านไม่ต้องการท่านก็สละไปผู้พูดได้คุณน้องหลินครับกับพระอาจารย์ค่ะการนั่งสมาธิทําให้หนูเฉยๆกับการได้ยินเสียงดนตรีมากเลยค่ะปกติได้ยินเสียงดนตรีร่างกายขยับอยากเต้นปัจจุบันรู้สึกเฉยๆแค่ฟังความหมายเฉยๆ อันนี้คือความคิดของหนูเองหรือภาวะจิตใจเจ้าค้าขอของการตั้งใจนั่งสมาธิอก็อ จ, จะเป็นผลจากการนั่งสมาธิได้ว่าจิตเริ่มมีอุเบกขาขึ้นมาคือจิตเริ่มวางเฉยไม่ค่อยไปกระตือและน้อมตื่นเต้นกับรูปสี่งกิดนั่งต่างๆคุณจิราธิวัตรครับพระอาจารย์หนูนั่งครึ่งชั่วโมงทําไมบ้านหมุนแล้วหนูจะนั่งต่อได้ไหมคะ เพราะหนนั่งโดยไม่มีสตินี่เองอยาก น, นั้นต้องมีอะไรกำกับใจเช่นมีการดูลมหายใจเข้าออกอย่างต่อเ น, นื่องหรือ ม, มีการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้ก็จะไม่มีอาการต่างที่เกิดขึ้นมาคุณสมพรครับคนที่ที่มีปัญญาดีมีปัญญามากแสดงว่าคนคนนั้นได้ปฏิบัติธรรมข้อใดมาในอดีตการครับอบญญาจารย์ก็ข้อปัญญาข้อเจริญ เป็นผู้ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาอยู่เรื่อยๆฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาฝ่ายคิดฝ่ายพิจารณาใค่คยกลก็จะทําให้เขามีปัญญามากคุณวีรศักครับขอเล่นถามพระอาจารย์ครับว่าที่บอกว่าการปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดนี้เป็นการปฏิบัติด้วยสมาธิอย่างเดียวโดยการทําจิตเดินมรรคใช่หรือเปล่าครับไม่หรอกสมาธิก็เป็นหนึ่งในองค์ ในหนึ่งในแปดขององค์ของมันนอกจากสมาธิก็ต้องมีศีลนะศีลก็มีสององสัมมาสัมมาธรรมโตสัมมามวาจานี่คือการพูดกับการกระทําที่ชอบก็เรียกว่าศีลแล้วก็มีองค์อื่นเช่นมีสัมม า, าสัมมาอาชีพต้องประกอบอาชีพที่ชอบคืออาชีพที่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้ แลก็ต้องมีความเพียรความขยันนักเพียรที่ที่ถูกต้องที่ชอบก็คือขยันปฏิบัติธรรขยันเจริญมรรคนี้ขยันรั่งาศีิขยันนั่งสมาธิขยันเจริญปัญญาเนีว่ามันมีหลายองค์ประกอบทพียงแต่เวลวเราพูดกันแต่ละเรื่องนี้มันเราพูดทีละ เ, เรื่องเราไม่สามารถเอาทั้งแปดเรื่องมาพูดกันทีเดียวพร้อมๆกันได้ คุณชมชนกครับน้อมกอดน้ำพระสกา ร, การเจ้าคะ่ะพระอาจารย์ยมรบควนสอบถามถวายทานพระสงฆ์ทุกวันสวดมนต์ทําวัดเย็นเช้าบ่อยๆและนั่งสมาธิตอนตื่นนอนเช้าและตอนเที่ยงจิตสงบบ้างไม่สงบบ้างตอนนั่งสมาธิโยมพอจะได้รับบุญประมาณไหนเจ้าคะก็ตามความสงบนั่นแหละถ้าสงบก็ได้บุญ ถ, ถ้าไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคุณวีวีครับ อยากทราบวิธีปฏิบัติตนว่าผมมีแฟนาศาสนาอื่นและผมก็เคยเป็นพุทธแต่แต่งงานกับแฟนแล้วให้เปลี่ยนาศาสนาเป็นอื่นแต่จใจผมก็ยังนับถือพุทธเป็นหนึ่งแต่ไม่กล้าเปลี่ยนกลับเป็นพุทธกลัวตแตกแยกในครอบครัวครับก็ทําไปตามที่คุณได้ทำนะคุณคุรักเขามากกว่าคุณนักาศาสนาพุทธคุณก็เลยไปรักเขาไปทําตามเขา นี่ถ้าับคนบัวเข้าเมื่อไหร่เนื่อา ห, าหาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเพื่อได้เมื่อคุณไม่แคร์เขาว่าเขาจะรักคุณหรือไอันนี้ก็เป็นเรื่องของของอารมณ์ของของขอ ง, ขอ ง, ข, องของคนเนื่นองจากไม่นับถืออะไรไม่นับถืออะไรนี่ก็เป็นเรื่องของของปัจเจติกับคนไม่สามารถที่จะตัดสินใจให้ได้ คุณมีนวนครับพระโสดาบันที่ท่านละสังโยชน์สามข้อที่ว่าศีลปฏะตะปราม่าแปลว่าอะไรครับคือศีลคือการไม่สงสัยในเรื่องกฎแห่งกรรมนั่นเองศีลก็คือการทำบาการไม่ทำบาปผู้ที่ยังสงสัยว่ารักษาศีลน่าจะได้นี่คือพวกที่เป็นศีลปฏตปรามาอย่างไม่มั่นใจในกฎแห่งกรรมผู้ที่ มีดวงตายห็นธรรแล้วจะรู้ว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นตัวที่จะทําให้เราสุรืดทุกข์จเจริญรุ่งเสืไม่ใช่สิ่งต่างๆมันก็จะไม่ไปทําพิธีกรรมอะไรต่างๆเช่นไปไปกราบไหว้พระพิคเนตราา้ากราบไหว้เทพบ้าง ข, งขอสิ่งนู่นสิ่งนี้มันไม่ได้หรอกที่เราจะได้อะไรนี่ดีหรช่วเกิดจากการกระทําของเราเอง ตอนที่นา่นนาศีลศรัทธาปรานาได้ก็จะไม่ไปหาหมอดูไม่ไปดูดวงไม่ไปไหว้พระพิชเนนพระพุทธรูปเรื่องอะไรเพื่อขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาเพราะว่าสิ่งที่ตนเองได้นั้นเกิดจากการกระทําของตนเองนั้นเองทางกายทางวาจาและทางใจคือกรรมนี่คุณพัทรวัต ด, ดีครับดวงจิตภูมิต่ําของร่างมาเป็นแบบอคุสล มีโอกาสฟังทำบรรลุธรรมได้ไหมครับทุกคนเนี่ยมีโอกาสฟังได้แต่บรรลุได้ไม่ได้อยู่ที่การสามารถว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจถ้าเข้าใจก็บรรลุธรรมง่าถ้ายังไม่เข้าใจก็เราพยายามฟังไปเรื่อยๆฟังไปเรื่อยๆจนกว่าจะร้องอ๋อเข้าใจนะเข้าใจนะรู้แล้วเหรอรู้แล้วเหรอพระเจ้าบอกอ่าควรทันยะทะลุแล้วเหรอทะลุแล้วเหรอเนี่ย เธอเข้าใจแลเธอล้อมกอ๋หอนะ้วหอเข้าใจนะ้วถ้ายัง ไ, ไม่เข้าใจก็ต้องฟังไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆเป็นกาจะล้อมออกขึ้นมาคุณกำมลรถครับน้องกาดน้ำสักการพระอาจารย์พระพุทธเจ้าวางหลักความเชื่อเกี่ยวกับคําทํานายหมอดูไว้อย่างไรครับควรเชื่อได้มากน้อยเพียงใดครับก็เชื่อห้าสิบห้าสิบทุกอย่างพูะอาจารย์บอกว่าได้ยินได้ฟังอะไรมาจากใคร ก็อย่าไปปฏิเสธทันทีนะแต่ก็อย่าไปเชื่อทันทีต้องเอาไปพิสูจน์ดูให้ให้เห็นชัดก่อนว่าเป็นนักที่เขาพูดไม่ถ้ายังไม่เป็นก็ยังเชื่อไม่ได้แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันคุณลีละวันครับกา ร, การรับราชการพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าจะบวชกับพระอาจารย์จะทําอย่างไรเจ้าค่ะเราวบวชให้ไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ ไ, มได้เป็นพระอุปชยัยอะ คือความจริงการบวชพระเนี่ยตามหลักของหลักเดิมของพระพุทธศาสนานะพระที่มีสิบพรรษาขึ้นไปนีสามารถบวชให้กับผู้อื่นได้แต่ในประเทศไทยนี้เนื่องจากว่าพระที่มีสิบพรรษานี้บางทียังไม่ได้เลือกเขากลัวว่าถ้าปล่อยให้บวชจะเละเทะไปใหญ่ก็เลยต้องมีการแต่งตั้งพระอุปชายยะขึ้นมาและการจะทำแต่งตั้งพระอุปชัยยะก็ต้องไปสอบ ดูภูมิความรู้ก่อนว่ารู้เรื่องราวของของการเป็นพระหรือเปล่าการเป็นพระเป็นอย่างไรเขาเลยต้องมีกดว่าในประเทศไทยนี้ผู้ที่จะบวชให้กับผู้ได้นอกจากมีสิทธิพรรษาขึ้นมาแล้วนี้ยังไม่พอต้องผ่านการได้รับการรับรองจากคณะสงฆ์ก่อนว่ามีคุณสมบัติพร้อมที่จะบวชให้กับผู้่นได้คือต้องไปสอบให้เป็นพระอภิชาติขึ้นมา สอบได้ผ่านแนละ้วกมอบหมายตาตั้งไว้แล้วว่าอคุณเป็นอุปชยัยนะไปกับทนายเนี่ยถรืว่าจะเรียนจบทนายมาแล้วก็วอยากไปเป็นทนายไม่ได้นะต้องไปสมัครที่สภาทนายความก่อนว่าให้เขารับรองว่าเรามีความสามารถที่จะว่าความเป็นทนายทนายความได้อันนี้ก็แบบนในประเทศไทยผู้ที่จะบวชให้กับผู้อืนไะด้นั่นเป็นพระอุ ป, ปชยัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจ้าวาดของวัด แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าวาดเราไม่ได้เป็นเพ้าอุปชายาัยนะเราก็เป็นเพียงแต่อาจารย์สอนธรรมะได้แต่ถ้าจะบวชนี้ต้องไปติดต่อกับเจ้าวาดขออนุญาตจากเจ้าวาจแล้วก็เป็นเพ้าอุปชัยาด้วยถ้าท่างจะบวชให้ได้ถ้าเจ้าวาดไม่ได้เป็นเพ้าอุปชายาัยท่านก็าจจะมีพ้าอุปชัยยะที่ท่านไว้ใจรู้จักก็ให้ฝากให้ไปบวชกับเพ้าอุปชายยะนั้นกันได้ คุณศักดิ์ครับนักวสการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาขยายความคําว่าเมตตาเจโตวิมุตในทางปฏิบัติครับมันก็ชัดอยู่แล้วเมตตาเจโตก็คือการเจริญเมตตาภาวนาให้เป็นสมาธิเมื่อจิตมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วจะได้บรรลัปัญญาต่อได้แต่จะไม่สามารถเจริญจะวิมุตได้ด้วยเพียงสมาธิอย่างเดียวนะที่เราเข้าใจผิดกัน คือมันต้องมีทั้งเจตโต้แล้วมีทั้งจะต้องมีมีทั้งปัญญาถึงจะสามารถหุดพ้นได้ไม่สามารถหุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยสมาธิเพียงอย่างเดียวเจตโต้นี้คือความเขา้าเจตโต้คือท่านหมายถึงพวกที่เก่ทางสมาธิคือถ้าสอบสำนักถ้าสอบสมาธิได้ได้เต็มร้อยแต่สอบสอบปัญญาได้แค่ห้าสิบ อีเรียพวกเจโตวิบุญส่วนพวกปัญญาวิบุตญนี้สอบปัญญาได้เต็มร้อยแต่ได้สมาธิแค่ห้าสิบหรือไม่มีอภิญญาพวกนี้ได้แค่ได้แค่ฌานสี่ได้รู้แค่ฌานสี่ไม่ได้ไม่ได้อารุปฌานหรืออะไรทำนองนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ว่าอารุปฌานได้หรือไม่ได้แต่ไม่ได้อภญญาแน่นอนวันนี้ไม่เก่งการอภิญญา ไม่เราเลื่อนชาญได้เราเลื่อนชาญไม่ได้อ่านมาราชิตคนหนึ่งไม่ได้ติดต่อกับเทพไม่ได้แต่เวลาเจริญทางวิปัสสนาที่สอบได้ร้อยเปอร์เซ็นได้เต็มร้อยวันนี้เขาเรียกว่าพวกปัญญาุเก็งทางด้านปัญญาอย่างพระ อ, อัครสาวกสองรูปเนี่ยคนนึงก็เก็งทางปัญญาวิมุติหรือภาษาลิบุตภาษาลิบุตรที่ฉาฉานเนี่ยทางด้านปัญญา แตกฉานมากสามารถสับสนให้พูดเข้าใจทําได้อย่างง่ายดายไม่มีใครเกินพระสาริตริบนอกจากพระพุทธเจ้าเองียูใ่ในทางการแสดงธรรมส่วนพระโมกขลา น, นี่ก็เก่งทางหน้าอภิญญาแต่ก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่เก่งกว่าพระโมกขลานะแต่นอกนั้นภาษาโลกวัตถุนี้ไม่มีใครจะเก่งกว่าพระโมกขลานะในทางอภิญญา ทางพวกเจ่ทางอัญญานี่เราก็เรียกว่าพวกเจโตวิมุตต์พวกเก่ทางปัญญาแ ล, แล้วก็เรียกว่าปัญญามิมุตต์แต่ไม่ได้หมายความว่ามีปัญญาอย่างเดียวหรือมีสมาเจโตมิมมิมีสม า, มมสมาที่อย่างเดียวมีทั้งสองอย่างเพียงแต่ว่าถนัดซ้ายและถนัดขว า, า, บบาเหมือนนักบอลทีบ่บางคนก็ถนัดเตะด้วยเท้าขวาบางคนก็ถนัดตัดเตะด้วยเท้าซ้ายตัดความถนัดไม่เหมือนกันบางคนถนัดทางปัญญา ถ้าถนทางทางปัญญามากจะไม่ถนัดทางทางทางสมาธิทําได้เท่าที่จะเป็นต้องทํายกเว้นคนเก่งๆอย่างพระพุทธเจ้าท่านั้นที่เก่งทั้งสองด้านเก่งทั้งเจตโตเก่งทั้งวิบุตเก่งทั้งปัญญาซึ่งมีน้อยมากที่จะเก่งได้ทั้งสองทางคณาครสาวกยังไม่ได้ทั้งสองทางไม่ทางใ ด, ท, งดทางหนึ่งมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เก่งทั้งสองทาง สมาธิก็เก่งมีอภินยาด้วยปัญญาก็เก่งสามารถสัสอนธรรมะไดอ้อย่างอย่างกระช้อชา่านคำธรรมจากพระเจ้าเราจะ บ, บรรลุธทรได้ง่ายกว่าอ่าคำธรรมจากผู้คุณเหมียวครับผมฝึกสมาธิแบบดูลมหายใจเคยทำจนรวมจิตได้สามครั้งเกิดแสงสว่างมีอารมณ์เดียว รู้ว่าจิตรวมเป็นหนึ่งแบบอธิบายไม่ได้ครับอยากสอบถามหลวงพ่อว่าสภาวะนี้เราไม่สามารถกําหนดให้เกิดได้ตลอดใช่ไหมครับถ้าทําบ่อยๆก็เกิดได้มันเป็นเหมือนกับการฝึกขันถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆมันต่อไปมันก็ฉินเหมือนว่ายน้ําเนี่ยถ้าเราว่ายน้นําหม่ๆเราบ็จะว่า่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่เราฝึกว่ายทุกวันทุกวันต่อไปเราก็ได้ทุกวันมันอยู่ที่การฝึกฝนเนี่ยทุกอย่างนี้สมาธิก็เหมือนกัน ถ้าเราทําบ่อยๆทำ ท, ทุกวันทำจนกระทั่งมันชินมันก็สามารถเข้าได้ทุกครั้งที่เรานั่งคุณพาณิชย์ครับอาการเห็นของจิตอย่างไรถึงว่ารู้ตัวเองได้ภูมิโสดาบันครับก็รู้ว่าเราปล่อยวางขันห้าได้ปล่อยวางร่างกายนะ้ร่างกายเราไม่เราไม่กลัวมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเมทนาคือความเจ็บปวดเราก็ปล่อยได้ มันจะร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนเราก็ไม่ไ ม, ไม่ทุกข์กับปั่ไวให้มันเกิดได้ไม่ไปไม่ต้องไปขยับแค่ขยับขาไม่ต้องไปทำอะไรรู้ว่าเดี๋ยวมันก็มันเดี๋ยวมันก็หายไปเองมันมาเองได้เดี๋ยวมันก็หายไปเองก็รู้ว่าไม่กลัวตายไม่กลัวเจ็บปวดหายๆแล้วก็รู้ว่ากดแห่งกรรมมีจริงรู้ว่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นนิยายแต่งขึ้นมา คุณสมพรครับถ้านอนหลับในทางธรรมตอนนอนหลับกลางคืนต้องนอนท่าไหนครับพระเจ้าสอนให้การนอนตะแคงขวาหนึ่งท่าสีหาสายยา่เพื่อไม่ให้นอนหลับสนิทมากเกินเกินไปถ้านอนนอนง่ายหลังนี่มันหันหน้าหรือง่ายหลั ง, ลงเขาเรียกว่าเป็นนอนแบบทาดคนตายนอนแล้วก็จะเป็นเหมือนคนตายนอนสำหรัานี้ท่านสอนให้มีสติตลอดเวลา พอที่จะลุกขึ้นมาพอร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วก็จะลุกขึ้นมาทันทีถ้านอนอยู่ในท่าตะแคงขวาถ้านอนในท่าเ อ, เ, อเอ็นเอนอนเอาหลังนอนนี่บาที่นอนพอรู้สึกตัวแล้วมันก็ยังไม่มีสติที่จะลุกขึ้นมาจะนอนต่อได้พระเจ้าสอนในห้พักนอนในท่าสีรษะใสัยยะนอนืง่ายจะสี มีผู้ไม่เอ่ยนามครับบอกว่าลูกชายอยากบวชแม่น้องไม่มีเงินค้าขายไม่ดีไม่มีเงินดิฉันจะมอบเงินให้เงินน้องไปบวชอย่างนี้เป็นกุศลไหมครับเว่นก็เป็นทานอย่างหนึ่งในการทําบุญทำทานซื้ออัฐ บ, บริการให้ซื้อดัอกไม้ทบเทียนเงินถวายพระไปอันนี้ก็เป็นเป็นทานบารมีเป็นการทาบุญทำทานอย่าง คุณทีเคครับคาราวาสรองเรือนสามารถบรรลุธรรมสูงสุดได้ขั้นไหนเจ้าคะได้ทุกขั้นเนี่ยอยู่ที่ทำคือม้าเรามีภพระมั่นปะนี่ไม่ได้อยู่ที่เพศคาราวาสเป็นพระเป็นพระแล้วไม่บรรลุขั้นไหนอะไรก็มีเยอะแยะไปยงเรืมันอยู่ที่ปฏิบัติดีปฏิ บ, บัติช่อบไม่ได้อยู่ที่เพศไ ม, ไม่ได้อยู่ว่าเป็นคาราวาสและเป็นผู้รองเรือนหรือเป็นผู้ออกจากเรือนอันนั้นก็เป็นเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติแตถ้าเคราะอยู่ของเงินกนะ็สามารถปฏิบัติได้เต็มทอนก็บรรลุได้ทําขั้นสูงๆได้ก็มีมีมีคารวาที่บรรลุทำเยอะแยะเหมือนกันในสมัยพุทธกาลเพราะเขาอาจจะมีภาระมีพันธะอะไรบางอย่างที่ยังไม่สามารถไปหมดได้เขาก็แต่เขาก็ปฏิบัติอย่างเต็มที่เขาก็บรรลุทำได้คุณธนาครับ การปฏิบัติธรรมเพื่อหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องเข้าไปเรียนโรงเรียนปริยัติธรรมหรือไม่เพื่อให้เข้าใจวิธีเข้าใจง่ายขึ้นสับทางธรรมให้เข้าใจความหมายฟังก็ยากและจำเป็นต้องรู้หรือไม่คะก็อยู่ที่ผู้ศึกษาว่าศึกษาได้ด้วยตนเองได้หรือไม่บางคนนี่ศึกษาได้ด้วยตนเองได้ก็ไม่ต้องไปเรียนจากผู้อื่ก็ได้เรียนจากอินเทอร์เน็ตก็ได้ค้นหาข้ อ, ข, อข้อความต่างๆความรู้ต่างๆบางคนก็เรียนเองได้ ไม่ได้ก็ต้องไปหาครูสอนคุณต้าครับน้องกาบครับลูกวันนี้ได้ไปพบหมอตรวจเจอมะเร็งปอดระยะสี่ลูกจะต้องทําใจอย่างไรเจ้าค้าลูกเครียดมากตอนนี้ท่องพุโทโธตลอดค่ะเวลาคิดถึงโรคร้ายนี้เออนั่นแหะก็ต้องทําใจให้ปล่อยวางให้ได้มันจะเป็นก็เป็นมันจะตายก็ตายถ้าเกิดนี่แสดงว่าเรายังไม่ยอมตาย มันไม่ยอมเป็นมันก็เลเครียดก็เลยต้องใช้พุทโธรองรับความเครียดเพราะถ้าเรามีสติพุทโธพุทโธอยู่ใจก็จะเป็นอุเบกขาได้เป็นทัพพักไปเมื่อเป็นอุเบกขามันก็จะเฉยกับโลกอาการเจ็บได้แต่พอเราเพอิดสติเมื่อไหร่มันก็จะเครียดขึ้นมาได้ฉะนั้นต้มันฝึกสติอยู่บ่อยเวลาเกิดความเครียดเราก็จะใช้สติในการบรรลได้ชั่วคราว ถ้าจะเรียนปัญญาได้พิจารณาว่าร่างกายไม่ไใช่ตัวหลอกของเราได้เวลามันเป็นอะไรเราก็จะไม่เชรียดกันเพราะเราจะมองว่ามันไม่ใช่เป็นตัวหลอเราไม่ได้เป็นร่างกายคุณนิวครับเวลานั่งสมาธิรู้สึกเส้นประสาทบริเวณศีรษะกระตุกตลอดแก้อย่างไงครับลบกตรพระอาจารย์ครับไม่ต้องไปสนใจมันจะกระตุกตัวเรื่องของมันไปให้เราภาวนาของเราไป ดูงงก็ดูลงไปพูดโทรมก็พูดโทรมไปไม่ต้องไปสนใจกับอะไรที่เกิดขึ้นบางทีก็คันตรงนั้นคันตรงนี้บางทีก็อยากจะเลือนน้าลายนี่เหอาการอะไรต่างๆขึ้นมาในเวลาอื่นไม่เป็นใช่ไหมเวลาทําอย่างอื่นในกิกรรเหล่านี้ไม่เป็นเพราะเราไม่ไปสนใจนกันเองงนั้นอย่าไปสนใจเวลานั่งสมาธิี่ให้สนใจอยู่กับพูดโทรมอยู่กับลมหายใจก็เพียงอย่างเดียวพอแล้วแต่ว่าอาการต่างๆมันก็จะหายเอง คุณเคเคครับกราบนรัศการพระอาจารย์เรียนถามว่าอาจารย์ค่ะว่าพุทธญาณคืออะไรคะนี่แหละเราถ้าเราแปลตามตัวอักษรพุทธก็คือพระพุทธเจ้ายาณนีก็คือการอย่ากรู้การอยางรู้กับพระพุทธเจ้าคอพุทธญาณคุณกอนหาไทยครับ เคยได้รับฟังคําบอกเล่ามาว่าเวลาอุทิศบุญไม่ให้อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพราะถ้าเจ้ากรรมนายเวรมีบุญมากจะมีพลังมากแล้วเขาจะกลับมาทําร้ายเราได้คําบอกเล่านี้เชื่อถือได้ไหมคะมันโมเม้นท์นะที่ว่านะคือมันไม่รู้ไปทําให้เขามีกําลังมากขึ้นมาได้แล้วอย่างนนากกในเจ้ากรรมนายเวรนี้ส่วนใหญ่เขาไม่ได้เป็นคนตายใช่ไหมคนที่เขามีปัญหาอลไรนี่ไม่ได้คนตายใช คนนี้มาฟ้องเราขึ้นศาลกับเราดือคอยกัดแก้งเรานี่เขาเป็นคนเป็นเนี่ถ้าอยากจะให้เจ้ากรรมนายเวรนันลาวาสอบนงแล้วก็ต้องเอาขอไปเส้นเขาเลยเอาเงินจะให้เขาเอาใจเขาหน่อย เ, อเดี๋ยวเขาก็อดใจได้เขาก็จะอาจจะให้อาภายัยเราได้คุณมิกครับอยากขอคำพูด จากพระอาจารย์ทีครับที่ช่วยผมที่ไม่ยอมวางตําราเสียีเอาแต่ศึกษาศึกษาที่เป็นความรู้ชั่วคราวขอคําพูดพระอาจารย์ที่เตือนใจจนทําให้ผมวางตําราไปปฏิบัติจริงจริจรั ง, จ ง, จงๆเสียทีครับออตําราก็ยังเอายังใช้ได้อยู่เพราะว่าการปฏิบัติเนี่เรามันไม่เรามางทียังไม่เข้าใจแต่ที่เราก็ยังต้องขับมาดูตำราอยู่นงนอให้เราแบ่งเวลาคนละครึ่งแล้วกัน เวลาดูตำราก็ดูไปเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติไปมา ป, ปฏิบัติแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็มาเปิดตารานดูดดนั่นตำานี่การศึกษานี่แต่ทานปฏิบัตินี่มันไปคู่กันจนถึงขั้นสูงสุดเลยเพราะแต่ละข่านนี่เราจะไม่รู้ไงพราถึงขั้นสมมติบาล น, นี่เราก็ไม่รู้ว่าสังโยชน์ปีอะไงอาจจะต้องถามครูบาอาจารย์สังโยชน์สาวนี่เป็นอย่างไรบ้าง แล้วพอได้ผ่านสามังโยสสามก็อาจจะต้องไปถามท่านรอบสังโยสี่ห้าเป็นยังไงจารปฏิบัติยังไงยิงทางปฏิบัตินี้เรามักจะต้องมีคอยมีอาจารย์คอยคอยปรึกษาอยู่เรื่อยๆแล้วบางทีเราไม่เราไม่รู้เราก็ได้ถามท่านได้หลวงตามมาบัวท่านบอกถึงขั้นสุดท้ายของท่านท่านก็ยังยังต้องอาศัยกูบาอาจารย์พอดีท่านบอกน่าเสียดายท่านเจอคําถามความไม่เข้าใจปริศนธรรมขั้นสนาางูง ส, สุดเนี่ย ประเป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นท่านเสียชีวิตไปแล้วแต่บอกว่าถ้าหลวงปู่มั่นอยู่เนี่ยถ้าไปการาบเรียนถามท่านท่านจะได้คําตอบท่านจะชี้าํางแนวทางของการปฏิบัติให้ท่านทันทีแต่เมื่อไม่มีครูบาอาจารย์สอนท่านก็เลยต้องค้นคว้าศึกษาลองผิดลองถูกเอาเองก็เลยเสียเวลาไปเกือบสามเดือนกว่ากาจะแก้ปัญหานี้ได้ตนเร่านเล่าะฉะนัน้การศึกษานี้จําเป็น การมีครูบาจารย์ที่มรรลุธรรมที่เหนือเรานี้จำเป็นที่ช่วยเราได้มากถ้าเราไม่ถ้าเราติดขัดตรงไห น, นไม่เข้าใจตรงไหนไปอธิบายไปถามท่านท่านก็จะได้ชี้นะวิธีแก้ให้กับเราได้อย่างง่าตดายและรวดเร็คุณแม็กซ์ครับขอโอกาสครับอาจารย์อาการโยกรุนแรงในสมาธิเป็นอาการของธาตุสีหรือเปล่าครับหรือเป็นเพียงแค่อาการปิติครับ ถ้าถ้ายากนี่ไม่ทราบอะไรโยกถ้าร่างกายโยกมันก็เป็นเรื่องของของขอ ง, จ, งจิตที่ไม่สงบจิตที่ไม่สงบมันก็อาจจะเป็นส่งผลให้ไปโยกที่ร่างกายได้จิตที่ไม่มีสติเนี่ยมันก็อาจจะไปทําให้ร่างกายโยกได้แต่ถ้ามีสติคอยควบคุมจิตให้ดีมันก็จะไม่สามารถทําให้ร่างกายโยกได้ คุณจิรัฐาครับน้องกราบนักศึการพระอาจารย์ลูกมีคําถามเกี่ยวกับการภาวนาเป็นผู้หญิงอยู่บ้านปกติการยืนเดินนอนนั่งหรือทําอะไรต่างๆเราสามารถทําได้หรือเปล่าคะ ไ, ได้ทําได้ทุกทีเดียวให้มีสติฝึกสติในเบื้องต้นก่อนเมื่อใจเราจะยื น, จ ะ, ยนจะนั่งจะนอนให้รู้ว่าเรากำลังอยู่ในทิริยาน์นั้นๆอย่าปล่อยให้จิตเราไปคิดเรื่องไปที่ให้เฝ้าดูการเคลื่นอนไหวต่างๆของร่างกายตลอด คุณสัมสุงครั บ, ก, บ ก, การนักมิสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามดิฉันปฏิบัติตามคําสอนของพระอาจารย์อยู่ที่บ้านรักษาศีลแปดทุกวันพระและฟังพระอาจารย์ตอนเพื่อนๆนํามาปฏิบัติทุกวันจะได้บุญเท่ากับไปปฏิบัติที่วัดไหมคะก็อยู่ที่ผลนะถ้าได้ผลดีก็ที่ไหนได้ผลดีกว่าที่นั่นก็เป็นที่ได้บุญมากกว่าถ้าอยู่บ้านได้ผลดีกว่าไปอยู่วัดที่บ้านก็ดีกว่า ถ้าไปอยู่วัดแล้วได้ผลดีกว่าอยู่ที่บ้านที่ที่วัดก็ดีกว่าคุณจุธารัตน์ครับการนรัมสการพระอาจารย์ขอสอบถามค่ะขณะเดินจงกรมและนั่งสมาธิมีสภาวะธรรมและไม่มีสภาวะธรรมได้บุญเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะไม่ทราบความหมายว่า ม, มีสภาวะธรรมนี่หมายถึงอะไรเพราะสภาวะธรรมนี่มันมีหลายละลักไปทําพูดทํางการความฟุ้งซ่านก็เป็นสภาวะธรรมอย่างนี้ความสงบก็เป็นสภาวะธรรมอย่าง อย่นั้นนี่ไม่ทราบความหมายของคนว่าคุณธรรมสภาวธรรมนี่หมายถึงอะไรถ้าหมายถึงความสงบกระาดาษเดินโยกองอและนั่งสมา ท, ที่มีความสงบหรือไม่มีความสงบได้บุญหรือตัด ก, กันอย่างไรถ้าได้ความสงบก็ได้บุญถ้าไม่ได้ความสงบก็ไม่ได้บุญ อ, อ, อีกข้อนึงสภาวธรรมเหมือนกันครับเราจะมีวิธีเบาสภาวธรรมได้อย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะ สภาวะที่ทำเป็นอนัตตาเราไปบเบาๆไม่ได้เช่นเวลามันเจ็บขึ้นเราจะทำให้มันหายเจ็บทันทีไม่ได้มันก็ยจะมันก็จะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมาเพราเหตุปัจจัยทําให้มันเจ็บมาหายไปอาการเจ็บมันก็หายไปนี่คือสภาวะธรรมคำว่าสภาวะธรรมก็คือเป็นของเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในในธรรมชาติซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสภาวะตามธรรมแม้แต่ร่างกายเราก็เป็นสภาวะธรรม แต่เราไม่มองว่า เ, าเป็นสภาวะทำเราไม่มองว่ามันเป็นโจตอบขึ้นมาคุณพาณิชย์ครับการที่เห็นดวงจิตสว่างเด่นดวงพร้อมมีสติแบบตัวรู้และว่างเฉยเฉยสมาธิขั้นไหนครับไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็รู้ว่ามันขั้นที่มีสติมีขั้นนในความสงบมันก็จะมันก็จะสว่างขึ้นมาได้ไม่สําคัญนะว่ามันอยู่ขั้นไหนนะ อาจารย์มีเพื่อนถามอีกครั้งหนึ่งบอกว่าทําบุญหกชนิดเพื่อไปนิพพานขออีกรอบครับหกอย่างข้อหนึ่งก็ต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปว่วยไม่โกรธเกลียดใครถือว่าทุกคนเป็นมิตรใครทําร้ายเราแล้วก็ต้องให้อภัยครับนี่มันเมตตาข้อที่สก็ต้องทาทานแบกปันมีของเอือกินเลื้อใช้ไม่เก็บมาไว้เอาไปแจกเอาไปจ่ายให้ค น, นที่เขาตกทุกข์หน่ายยากตลอดสามาไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการรักษาสีหน ไม่ไม่ทำบาปนะคสี่ห้าสี่ไปละไปไปอยู่ในขมมะถึงในขมมะคือละการท้าความสุขทางตาอูจมูกนิ้วกายเช่นไม่ดูปัญหาความเพลิน ไ, ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันไปนะไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนนี่เรีเกว่าได้มมะแล้วก็ข้อต่อมาก็คืออุเบกขาก็ต้องนั่งสมาธิจนานสตินั่งสมาธิตอนจิตเข้า เขาสู่ฌานสี่ได้ก็จะได้เบกาาข้อหกก็คือปัญญาต้องศึกษาทำให้เห็นเข้าใจหลักของอริยสัจสีและตายละเพื่อที่จะนำมาละติเลตนาต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้นี่คือบุญหกชนิดที่ต้องอาศาัยบุญอีกสชนิดเป็นเครื่องมือคือการที่ฐานความตั้งใจที่จะทำบุญทั้งชนิดนี้ การเปาี่ยนชนีวิตนี้จะเค้าเท่ๆกับการสร้างบุญชนิดนี้แล้วก็ต้องมีความจริงใจความแน่วแน่ต่อความตั้งใจไม่เปลี่ยนใจไม่โลเลแล้วก็มีความขยันที่จะสร้างบุญทั้ง6ชนิดนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีความอดทนเวลาทําบุญน่าจะหอบประสาทอางๆก็ ไ, ม, ไ ม, กกม่ไม่ยกหอขังไม่ยอมถอยถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วก็จะไปถึงนิพพานได้อย่าง อย่างง่ายด้ก็ด้วนอยาคุณศิะระปพาครับน้อมกับเรียนถามหลวงพ่อคะ่ะหากจิตเรามีเมตตาช่วยเหลือและนำพาคนรอบข้างทำบุญฟังธรรมเสมอแต่มีคนเคยเตือนว่าอย่าไปยุ่งกับคนอื่นมากบางครั้งก็เป็นการสร้างเหตุกรรมดีไม่ดีใหม่ของเราอาจมีผลให้ยังต้องกลับมาเวียนว่ายตายเจอกันอีกในภพหน้าจริงหรือไม่คะกานที่เราจะช่ยเหลือใครนี่ต้องอยู่ที่เขาเขามาขอร้องเบาหรื ถ้าเราเขาไม่ขอร้องเราแล้วเราไปร่าดจุดคราวนี้อาจจะไม่มีถูกก็อาจจะเขาอาจจะทํำก็อาจะไม่อยากจะทำก็ได้แล้วเราไปเหมือนกับไปบังคับเขาให้ทำอย่างนี้ไม่ควรว่าแทนที่จะเป็นผลดีอาจจะเป็นผลเสียก็อาจจะเกลียดขี้หน้าเราือขี้หน้าเราก็ได้ดังนั้นจะมีความเมตตาช่วยเหลือใครที่รอให้เข้ามาขอร้อมก่อนอย่างแดีไมหเฉะนนั้นถ้าเราจะช่วยเขาว่าถามก่อนว่า จะช่วยให้จะช่วยทำให้จะเอาไหมถ้าก็บอกไม่เอาก็จะได้ไใต้องาทำถ้าเอาก็ทำให้เขาไปคุณน้ำทะเลครับบอกว่าถ้าเรานอนเรากำหนดดูลมไปด้วยจนหลับเราจะได้บุญไหมคะไม่ได้หนะตอนหลับที่ไม่ได้บุญเป็นการพักผ่อนร่องกายและจิตใจคุณมิกซินัคครับการนั่งสมาธิจน จ, นจิตรวม นี้ไม่มีคําว่ากายหรือกายในกายมาเกี่ยวข้องเลยใช่ไหมครับไม่มีอาการทางกายหรือเวทนามาเกี่ยวข้องจะเป็นความรับรู้ว่าจิตมันเป็นมันเกิดอาการต่างๆเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับกายเลยใช่ไหมครับเวลาจิตรวมเแ็มที่ความรับรู้ทางร่านกายจะหายไปจิตจะอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่บางทีการจิตรวมเนี่ยจจะไม่รวมแทนที่ก็ออยังรับรู้ทางร่านกายได้แต่จิตไม่ไป ยุเกี่ยวกับน้ำกายรู้เฉยๆปเป็นรูปแบบค่ะก็รวมสองแบบรวมแบบเนี่นับรู้น้ำกายอย่รวมแบบไม่นับรู้น้ำกา ย, ยก็ได้คุณพัทละดานไนครับ <c oughs> บอกว่าท่านิมนต์พระแล้วลืมไปรับพระบาปไหมครับ <c oughs> พระท่านก็อดข้าวเลยไมมพระไม่ไปเลย แล้ก็ต้องหาข้าวกินกันเลยหาข้ากิกันเองพระตาลต้ลนในนี่อายุสิบสามเองนะครับใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ทราบน่าจะเป็นเด็กที่เคยเข้ามาในซูมครับอาจารย์ท่านตอนน้ชื่อ น, น้ำโมไม่่ไมมีมีก่อนหน้าน้ำโมม า, าพระตาต้นในแต่เดี๋ยวนะี้หายไปครับงส่มาฟังเอาอย่างเดียวปอเชไม่ใช่หรือว่ชื่อปอเชยอปอย่ะใช่ปอเชยใช่ใช่ Д คุณสลาตันครับขอสอบถามว่าถ้าเราคนเราไม่ทุกกับสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จในด้านต่างๆที่ลงมือทําเลยเป็นคนไม่มีาศาสนาพรารู้สึกพึ่งพาตัวเองได้ดีและคนแบบนี้จะนับถือศาสนาเพื่ออะไรครั บ, บ ค, คบก็จนกว่าเขาจะเจอสิ่งที่ไม่ดีแล้วเขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อันนั้นเขาอาจะเข้าหาศาสนาตอนที่เขาประกบความสาเร็จ ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ต้องกันเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแต่พอเขาเกิดความเครียดขึ้นมาแบบที่เขาไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ก็อยู่ที่เขาว่าจะแก้อย่างไรบางทีเขาเขไปแก้ด้วยการไปเที่ยวด้วยการไปเสพ ย, ยาเสพอะไรต่างๆอนี้ก็เป็นเขาก็ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นาศาสนาบางคนก็อาจจะเห็นว่าถึงพวกนี้ไม่สามารถแก้ความเครียดข อ, ง, องเขาได้แก้ก็เป็น บ, บชั่วครั้ชั่วคราว ก็อาจจะสนใจมาศึกษาทางศาสนา ก, ก็ได้จากคุณนายครับกลับเรียนวัฒนการพระอาจารย์เจ้าค่ะก่อนนอนจะดูลมหายใจเข้าออกกําหนดพุโทโธจนหลับแต่ก็ยังมีการฝันเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมคะหรือเป็นภาวะจิตไม่สงบคะอ๋อเรื่องความฝันนี่เป็นเรื่องปกติฝันมากฝันน้อยนี่ก็อยู่ที่ว่าเราฝึกสมาี่ได้มากน้อยถ้าเราฝึกสมาธิได้มากอาการฝันก็จะน้อยลงไปเพราะเราคิดตู่แต่น้อย คุณแอนครับใช้ชีวิตดูแลพ่อและแม่บางทีเวลาพ่อแม่พูดหรือทำอะไรที่เรามองดูแล้วไม่ตรงกับความถูกต้องเช่นการทานยาทานอาหารที่ไม่ดีต่อ ส, สุขภาพเพราะความเชื่อในกลุ่มเพื่อนสูงอายุแนะนำเรามีวิธีดูแลใจเราเองยังไงหรือปฏิบัติยังไงคะเราก็ต้องรู้จากสถานภาพของเราก่อนวนะ่าระหว่างเรากับพ่อแม่น้มนมีสถานภาพอย่างไรครับท่านาจริงแล้วต้องถือว่าเราเราเป็นคนนับใช้ดีกว่า เราถือเ่าพ่อแม่เป็นเจ้านายเราถ้าเราเป็นลูกจ้างมันเราก็จะทําใจได้ดีขึ้นคือแล้วแต่เจ้านายเจ้านายจะทําอะไรก็แล้วแต่เจ้านายเราเป็นหน้าที่เราใช้ช่วยเหลือเจ้านายอะไรทำนี้เราจะสบายใจเราจะได้ไม่ไปก้าวไกลชีวิตของท่านบางที่เราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่าบางทีความวดีของเราที่ไปทําให้ท่านเครียดท่านทุกข์เพราะท่านไม่อยากจะทําในสิ่งที่เราต้องการให้ท่านทําถึงไม่จะเป็นดีต่อสุขภาพ แต่คนเราก็มีกิเลสคนเราก็อยากจะมีความสุขทำอะไรตามที่ตัวนอยากนะครับกินอะไรตามที่ตัวนอยากจะกินแล้วมีคนมาคอยขัดมาขวางก็เลยทําให้เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเราไม่ควรไปสร้างความเครียดความทุกข์แมสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปะยัดเยี่ยทให้กับท่านเพียงแต่เราจะเสนอให้ท่านทราบก็ได้แต่ถ้าท่านไม่ต้องการก็อยากปล่อยให้ท่านไป ถือว่าท่านเป็นเจ้านายเราเป็นลูกจ้าลูกน้องลูกน้องต้องฟังคําสั่งเจ้านายไม่ใช่ลูกน้องไปสั่งเจ้านายนะคุณเลตันเบรครับจิตไม่ค่อยอยู่กับตัวมักจะติดอดีตกับอนาคตค่ะพยายามฝึกอยากได้คําแนะนําค่ะก็ะใช้พุทโธน้อยๆเลยเวลาจะคิดถึงอดีตหรือนาคตก็ต้อพุทโธพุทโธพุทโธไปหยุดความคิดเอาไปมันก็จะอยู่ในปัจจุบันได้ คุณลักณนาครับการที่เราไม่มีความรู้สึกผูกพันกับใครเลยเป็นสิ่งผิดปกติหรือว่าจิตใจเราแข็งกระด้างหรือไม่คะไม่เราอาจจะเป็นเพาเรามีอยุเบกหาก็ได้และไม่มีความอยากจะไปยุ่งเกี่ยวใครเพราะอยู่คนเดียวสบายใจกว่าคุณอ้วนครับการที่เราเอารถไปให้ครูบาอาจารย์ใช้ในกิจของวัดแต่ไม่ได้ถวายให้เลยจะได้อานิสงฆ์ไหมและจะได้อานิสงฆ์อย่างไรครับ ได้ก็เป็นเหมือนกับเป็นการให้ท่านใช้ของก็เป็นเหมือนกับการให้ไปแต่ว่าให้แบบชั่วคราวก็ยังไม่ได้ให้ยุกกรรมสิทธิ์ให้เพราะเราอาจจะนํามีความจํจงใจแล้วเอามาขอใช้บ้างเรานี้ก็เลยยังไม่ให้ท่านไปจากดรสุริพรครับการทําจิตผ่องใสทําอย่างไรคะจงเจี้ยสติ ให้หยุดคิดคุณแต่งให้จิตสงบจิตก็จะผ่อนคายขึ้นเคุณจิรัฐาครับน้องกราระอาจารย์ขอเพิ่อมอีกคาถามหนึ่งเวลานั่งสมาธิเวลานิ่งจะมีภาพหรือไม่ก็ความคิดผุดขึ้นมาเราต้องนิ่งเฉยหรือต้องทํำยังไงต่อคะแล้วเวลานิ่งจริงจริงจะไม่มีภาพไม่มีอะไรปรากฏขึ้นจะมีแต่ความว่างถ้ายังมีภาพมีอะไรปรากฏขึ้นมาแสดงว่าจิต ย, ยังไม่นิ่งยังไม่สงบเต็มที่ก็ควรภาวนาต่อไป คุณแก้วครับน้องกราบพระอาจารย์แนละขอถามเจ้าค่ะการที่เราป่วยถือเป็นวิบากกรรมไหมคะและเราจะแก้ไขได้ด้วยวิธีใดบ้างเจ้าค่ะคือการป่วยนี้มันมีหลายสาเหตุด้วยกันการเกิดมานี้จะเป็นสาเหตุหนึ่งนะใครมาเกิดก็ตามมันต้องป่วยได้วยกันนะที่จะป่วยมากป่วยน้อยป่วยหนักป่วยเบานี่อาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรมก็ได้คําถามสุดท้ายครับรอาจารย์ครับคุณลาวันครับ ขออนุญาตถามค่ะขณะ น, นี้พ่อป่วยอาการระดับสามเคยชวนพ่อมาปฏิบัติด้วยกันพ่อก็บอกว่าทําไม่ได้จะมีวิธีไหนที่จะช่วยให้พ่อสนใจอยากปฏิบัติได้บ้างคะขอบคุณค่ะอย่าไปบังคับท่านเลยนะท่านบอกท่านปฏิบัติไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงตามใจท่านตั้งไป็นธแล้วพ่ออยากจะทําอะไรเอาใจพ่อให้พ่อมีความสุขในเชื่อว่ญญายสุดท้ายของชีวิตท่านดีกว่าอย่าไปควบคุมอย่าไปบังคับท่าน เป็นเหมือนกับท่านเป็นท่าของเราเลยแต่แม้จะเป็นความรับผิดีแต่มันก็เป็นความรับผิดีที่ประสงค์รายบ่อคลที่เราวังดีด้วยยังปล่อยให้เป็นไปตามอัธยาศัยของท่านดีกว่าถ้าท่านบอกว่าอยากจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่พาไปเลยเลือเวลาไม่กี่วันนั้นถ้าเป็นความสุขของท่านอย่าไปบงังคับให้ท่านทําอะไรที่มันที่ทําให้ท่านมีความทุกข์เพราะท่านยังทําไม่ได้ ถ้ั้นมันจะดีแต่มันมันไม่อยู่ในฐานะของท่านที่ท่านจะทําทได้การทำอย่างไรถามท่านดีกว่พ่ออยากจะทําอะไรมือจะพาไปพ่ออยากจะไปกระโดดอะไรไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรไปได้ไปเลยถ้าไ ม, ผดดมา่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมยินดีรับใช้อย่างเต็มที่อย่างนี้จะดีกว่าพ่อจะได้มีความสุขในระยะสุดท้ายของชีวิตชุมชน อาจารย์ครับขอโอกาสครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน Facebook 844คนนะครับใน YouTube 839คนในครับ h o าย e 24คนวันนี้มีเพื่อนๆฟังทำด้วยกัน 1,707 คนนะครับอาจารย์ครับคือนีเยอะเลยนะครบรอบครบค ร, บรบอบเริ่มต้นปีใหม่จะลอง<ร>ชื่อชงรายการใหม่นะครับรายการในวิสาหกิจทำนะครับอาจารย์ครับก็คนทอนเยอะเลย ก็ยินดีกับความสนใจของท่านทุกท่านที่สนใจในคําสอนของพระเจ้าว่าเป็นสิทธที่มีคนมีประโยชน์มากที่สุดแก่ชีวิตของพวกเราเราไม่ทำ ม, มากเท่านั้นแหบลบที่จะช่วยทําให้เราพ้นทุกข์ได้สิ่งเงื่นในโลกนี้ต่อให้มีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทําให้เราพ้นปีกพ้นจากทุกข์ได้ดันั้นขอให้ท่านจงยินดีไปตลอดนะการศึกษาปฏิบัติไปให้ได้ตลอด แล้วผลด้านนั้นอันประเสริก็จะตา ม, มาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เธอก็ขอให้ท่านลงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปที่นิิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมทุกป่าไว้ถึงคืนอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีอะไรขัดข้องก็งงคงจะได้พบ ก, กันี ครับขอบคุณครัอาจารย์นะครับขอบพระคุณครับ